ยลลานพร์ท่านสาธุชนทุ ก, ทกบริษัทผู้ฝ่ายทำ ท, ทุกท่านอันนี้เร า, า ก, ก็รวบรัมเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามอันอีกครั้งหนึ่งอ่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาเร็วหน่อยถ้าต้องการจะเข้ามาเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะและ้วพอ ถึงจำนวนจำกัดก็ต้องก็ต้องหยูดก่อนวันนี้เราก็จะเริ่มกับเด็กๆ ก, ก่อนเด็กๆวันนี้นักคุณอยู่ที่โตกเกียวญี่ปุน่นกราฟนับ<ำ>ตาจเป็นไงนคุณไม่เห็นหน้ากันหลายอาทิตย์แล้วเวนช่วงโอ น, นเลยค่ะ ออยังซ่อนอยู่นะโดนอยู่ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ท ด, ทดสอบพลังค่ะอื <c oughs> วันนี้ไม่มีคําถามกับพระอาจารย์จ่าพระอาจารย์ครับค่ะลุกไปที่จะมันกับแจที่กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับอ่าอย่ายังไรวันนี้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 เชื่อไหมที่ท่องท่องอะในเชื่อแล้วเปล่าเชื่อครับอ่าอ่ากรรมดีอย่าทํากรรมชั่วเนะครับโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้าง็นร่างกายของเราร่างกายเรามีอิผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเต็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับหลัไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารในอาหารเราเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนี่ยน้ามันข้นน้าตาน้ำมะเหลียงน้ำลายน้ำมูกน้ำใส่ข้อน้ามูดน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ามูดน้ำลายน้ำมะเหลียงน้ำตาน้ำมันน้ำเหลืองน้ำเลือดน้าเสล็ดน้ำดีเยี่นในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ช้ไมใชส้ใหญ่ปอส ไปผังผืดตับหัวใจมา้าเยู่ยในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขน ชอบชอบส่วนไหนใช่ไหมครับออชอบไม่รู้สึกอะไรกับบันทู้ยมนนมีอะไรจะถามใหือคืนนี้วันนี้จะรายงานว่ากลับมานั่งสมาธิเหมือนเดิมนะครับนัง่งเรียนงานเท่าไหร่ยี่สิบนาทีครับทุกคืนนะใช่ครับรลังจากส่วนมนก่อนเนื้อสนวนมนต์ไปนั่งพระนังไป สดมนันก่อนแล้วก็นั่งครับแล้วสงบดีไหมสงบครับกั้นนั่งก็ไม่นั่งต่างกันหรือเปอกก็อนั่งกับหลังนั่งมีความแล้วสึกต่างกันไหมรู้สึกต่างใช่ไหมดีไหมดีครับอพยายามนั่งบ่อยๆนะหลัที่จะเล่นเก ม, มันนั่งสมาธิได้ประโยชน์กว่าครับ มีอะไ ร, หรไหมไม่มีแล้วครับโอเคไม่มีกลั บ, บ ไ, ไปที่คุณเด็กชายตะวนันตะวนันเขาเก่าเขาคุณพระจางครับตะวันอยู่ฮอลแลนด์ครับผมรักผรักการรักครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้ เออวันนี้ไม่มีคาถามครับเอามีรายงานอะไรหรเปล่าเออขอบทอนชมาที่มันก็เออการบ้านเนาก็ทได้แล้วครับทาได้แล้วนาทีเออสิบห้านาทีครับสิบห้านาที้เหรอใช่ควสิบห้านาทีแล้วรวมันหลายายคำรวมกันสิบห้านาทีเออชงครั้งสิบห้านาทีหนึ่งครังตอนเช้าแล้วหนึ่งครังนาย ตอนเช้านั่งตอนเช้ากับตอนเย็นได้ข้างละกี่นาทีสิบห้านาทีหละสิบห้านาทีครับอ่ารู้สึกยากไหมเอ่อมองแค่มีคอ น, นิดนินแต่ไม่ยากครับอ่า <c oughs> ทำไมมันมันมีอะไรเลยไม่อยากจะนั่งอ่ะนี่ยังไหมันคันเขาบอกว่ามันรู้สึกคันตอนแรกๆครับอมันคันก็ไม่ไปสนใจนะ นั่งย mm. mm. mm. okay. yeah. ังไงใช้พุทโธแล้วดูลมหายใจเ๋ยวนั่งยังไงลูกเออเราั่งลงหายใจหลุดพุทโธหลุดพุทโธอ่พุทโธนะเดี๋วเราั่งต้องอย่าหยุดพุทโธนะพุทโธไปเรื่อยๆคันอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันอยู่กับพุทโธเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายคันเองหาใจนะ <Okay. S 1> ครับโอเคมีอะไรไหยคุณแม่คุณแม่ไม่มีแค่ะจโอเคงานทาอนี้ก่อนนะค่ะรู้จบขอบพระคุณค่ ะ, ะางานไปที่คุณหมอพีเชษต่อหอสมอธรรศาสร์พระอาจารย์ครับความรูจากพระอาจารย์ได้บายโลกิยมะครับอาจารย์โลกิยมะ <c oughs> มันมีแต่โลกุตระมากโลกียามากไม่มีโ ล, โลกีย์ก็คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโล ก, กุตละก็คือโลกแห่งการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะงั้นการที่เราจะออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไนดะ้เราต้องเจริญโล ก, กุตละมากซึ่งมีอยู่สี่ระดับโสดาปติมัคสกีดาคามีมัคอนาคามีมัค อลาธรรมนี่คือขั้นที่จะทำให้เราจิตได้ยกระดับออกจากโลกิยะคือใภพบกามาพบโปภพบและอรูปภพบการจะเจริญโลกุตระมักได้นี้ก็ต้องก็ต้องเจริญสีศีอย่างน้อยก็สีแปดนะสีแปดแล้วสีถ้าเป็นนักบวชก็สีส227ยิบเจ็ด แล้วก็ฝึกสมาธินั่งสันั่งเจริญสติฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจเข้าสู่รูปฌปานที่สี่เอ่อเรามีรูปฌปานที่สี่ใจจะมีอุบเบกขาวางเฉยได้พอใจวางเฉยได้ไดก็มาขันมามาเจริญปัญญา เพ่มให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงงักหลงชอบนันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่าไปรักอย่าไปชอบให้เฉยๆกับสิ่งต่างๆเช่นร่างกายนี้ก็อย่าไปรักมันเพรักมันพอเราจะทุกข์พรรักแล้วมันจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้ามีอยู่เบกขาวามเฉยได้แร้วว่าไปรักมันไม่ได้ไปอยากมันไม่ได้รักแล้วอยากก็มันจะทุกข์เนี่ยก็หยุดความอยากได้ถ้เฉยเฉยอยู่กับร่างกายไปมันจะแก่ก็อยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็อยู่กับมันไปอันนี้ก็จะบรรลุขั้นเรากุตตมะขั้นที่หนึ่งขั้นสดามัน ส่วนขั้นที่สองที่สามก็ต้องมองให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามมีอาการ3 2เพื่อที่จะได้ตัดความรักความชอบในร่างกายของคนอื่นอยากจะได้คนนั้นมาเป็นแฟนพอเห็นอาการ3 2ของร่างกายของเราความอยากนั้นก็จะหายไปนี่ก็ได้โรกุตตระมะขั้นที่สองที่สามขั้นที่สี่ก็คือ เราจะพิจารณาจิตใจว่าจิตใจมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปยึดติด ก, กับอารมณ์มันไม่มีตัวตนเรามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครก็ใช้โมเบิร์คหายเฉยๆอย่าไปยินดีกับอารมณ์ที่สงบอย่าไปยินร้ากับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่าน นเป็นเรื่องของลาลักเข้าใจอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ได้ <c oughs> ก็ก็หมดก็ได้อา ร, อรตตาผลขึ้นมาก็ได้พระนิพพาน <c oughs> นี่คือการเจริญโลคุตตะมะขันต้นใจโ ล, ลกียมั ก, ก็มีอยู่สองระดับคือศีลกับสมาธินี่ถือว่าเป็นโล ก, ก, กียามะอยู่ รักษาศีลได้เข้าฌานได้ก็ยังติดอยู่ในการเียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เนี่ยแต่ว่าจะไปเกิดในรูปภพกับรูปภพอถ้าถ้าได้สมาธิได้รูปฌปานหรือรูปฌปาน <c oughs> ถ้ารักษาศีลได้ก็ปิดประตูว่ายได้ศีลห้า <c oughs> แต่ถ้าอยากจะไปโลกุตรามากก็ต้องเจริญ ปัญญาได้สมาธิแล้วก็ต้องบรินันปัญญาปัญญาจะเป็นผู้ที่จะตัดขังยุทที่ผูกใจให้ติดอยู่ในการมาพบในบอูปปปภะอนูปภุ่มตัดได้ก็จะหลุดออกจากโลกิยะตายภพโลกิภพทั้งสามที่เห็นว่าที่สัตว์โลกเวียนว่าตายแก่กันมีพระพุทธเจ้าพระหลานเ น, นั้นที่ที่ไปอยู่โลกุตระพบ พบที่ออกจากตายพบดูเวียนว่ายตายตายพบกรรมพบดูประพบอารมประพบคืออยู่ที่นิพพานหลวงคุตตาพบก็เป็นิพพานไม่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปเหมือนคนที่ออกจากคุกตรางไม่น้องเด็ดคุกตารางพวกที่มี ยังยังมีสังยอยู่นังติดสังโยชน์อยู่ก็ยังติดอยู่ในตายเพราะมีกิเลตความโลภโกรธหลงความรักความกลัวต่างๆก็จะทำให้ยังติดอยู่ในตายเพราะมเอาเวี <c oughs> okay, ว่าตายเกิด เ, ะะะะเกิดแล้วก <c oughs> ็ตายตายแล้วก็เกิดเนี่ยอนี่ก็คือเรื่องของมรรคโลกียมรรคคารุกุตตะมรรค โลกียามรคือถ้ารักษาศีลนั่งสมาธิแถว อ, อยังจเจริญโลกียามรคเดี่ยวถ้าต้องการโลกุตต ร, รมะมรคก็ต้องจเจริญปัญญาขันเพิ่พมเติอมอีกขั้นหนึ่งก็จะได้โลกุตต ร, รมะมรคพิจารณาปลายรักพิจารณาอริยสัจสี่ใครก็จะสามารถละความอยากต่างๆละกิเลสตัณหาสัยามยตาม่างๆ ให้หมดไปจากใจจะไม่มีอะไรจะผูกใจลึมใจไว้ให้ติดอยู่ในใจเพราะไปต่อไปต้องพยายามปฏิบัติสามข้อนี้สีสมาธิและปัญญาอย่าใช้เงินทองไปกับการหาความสุขตา่างๆเพราะเป็นการสร้างความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว พอน่าต้องทุกกับการหาเงินแล้วก็ต้องทุกกับเวลาที่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆอย่ยไปพึ่งเงินทองในการหาความสุขเงินทองมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายองง่านแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรมีโทษมากกว่ามีคุณอถ้า <c oughs> อยากจะมีความสุขไปรักษาศีลไ่นั่งสมาธิ จะดีกว่า <c oughs> มีอะไรไหมคุณบอกเข้าใจแล้วนะเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณ อ, อ, อย่างสูงครับโอเคยังไปที่ท่านต่อไปคุณทิดติมาอยู่กอทธอรมายอนเมืองกลับน้องสการ์ซพระอาจารย์วันนี้ตั้งใจเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะไม่มีคำถา ม, าถามค่ะไม่มีคำถาม ค่ะยังถือศีลแล้วก็น่าสมาธิทุกวันค่ะอ่าดีสาธุค่ะสาธุค่ะรักษาวปปฏิบัติไปตลอดชีวิตได้ยานดีนะค่ะอาจารย์ของดีของวิเศษค่ะคุณนกยศสวัสดีเชิญต่อุณยศสวัสดีอยู่ที่ไหนนักการแล้วค่ะอาจารย์อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะเข้ามากลับไม่มีคำถามเลยมีไหม ไม่ได้ยินเนีไม่มีนะไม่มีเจ้าค<อ>่ะค่ะอาจารย์ครับไม่มีไปที่โกเบคุณจุกอยู่ที่โกเ บ, บกน้ำสกัดค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูอยู่เมืองไทยค่ะพระอาจารย์อากลับมาแล้วเลยหนูมาหนูม า, หนมางานศพญาตค่ะพระอาจารย์อวันนี้เพิ่งไปลอยอังคารมาค่ะเดี๋ยวนี้เหมือนกับบินไปเชียงใหม่ฮะทกรุงเทพเชียงใหม่แค่แอปเดียวนะ แป๊บเดียวเองค่ะหกชั่วโมงหกชั่วโมงค่ะพอาจารย์พระอาจารย์คะหนูหนูสงสัยค่ะพระอาจารย์อย่างวันเนี้ยค่ะหนูไปเก็บกระดูกมาแล้วก็ไปลอยอังคารเลยเอูสงสัยว่าทําไมทําไมเขาต้องใช้น้ำมนต์คือถ้าเราจับกระดูกจับกระดูกของคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเวลาเผาเสร็จอะค่ ะ, คะทําไมจับ ป, ปเหล๋เขาบอกถ้าคือจับเสร็จแล้วต้องต้องเอาน้ำมนต์ล้างมือนะ อะไรต้กเอาแล้วมันล้างอะไรเงี้ยค่ะเปนวามเชื่อเป็นความเชื่อนั่นเองเป็นความเชื่อลหร อ, อะคะเขาไม่ได้เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็กระดูกก็กระดูกเขาเชื่อ<ม>ค่ะเป็นของคนตายจับแล้วเดี๋ยวมันจะติดไปกับเราให้ใช้น้ํามูลล้างออกเสียไอทั้ทงหมดเป็นความเชื่อแบบคนโบราณก็เชื่อกันมาแต่ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์นี ก็เหมือนหมอมเวลาผ่าตัดคนไข้แม่งต้องไปเอาน้ํามลมาล้างมือใช่ไหมหมอค่ะวันนี้หนูก็ไปไปจับกระดูกมาก็แบบไปอ๋อตรงนี้เป็นกระดูกส่วนนี้ก็จับมาดูมาดูแล้วก็วางไว้ในก่องอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์เราก็ได้ดูว่าเออโรคร่างกายเรามีแค่นี้ต้องไปเจรณาต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ใชพอเราไม่มีลมหายใจเขาก็ไม่เก็บเราไว้ละเขาดิ้เผาเราทันที อยู่ไว้แล้วเี๋ยวมันเหมนไดค่ะนะตรงซะทุกวันนึงางงจะต้องกลายเป็นเศษกระดูกอะไรแยกธาตุธา น, า น, น้ำก็ถูกไฟเผาไหาไปหมดธานลมก็หมดทาตไฟก็หมดเหลือแต่ธาตุดินก็คือกระดูกกระดูกเท่านี่แหละคือร่างกายของเรา ของใช้เดี๋ยวสักวันหนี่งต้องเป็นอย่างนั้นทุกครัทุกคนไม่ไม่มีใครยกเว้นจะไปทํา อ, อะไรกับร่างกายล ง, งกับดินน้ําลงไป <Okay. S 1> ใช่ไหมก็จะกลับเมื่อไหร่หนูกลับวันเสาร์นี้แล้วก็เราจะเาจะคับเดียวเนะียมาอยู่เสียห้าวันเป็นเดี๋ยวรางเงานินรางงานสักการทานหันนะคะเราได้แค่อธิเดียวคะ่ะจ้ะ <laughs> พระอาจารย์คะหนูมีคำถามค่ะหนูมีคําถามมีคําถามอ๋อหนูหนูบ้านหนูอยู่ลำปางค่ะลำปางค่ะไม่ได้ลงกรุงเทพค่ะตอนนี้มันมีไฟรท์ดิเรกจากโอซาก้าค่ะมามาลงเชียงใหม่ค่ะดีนะสะดวกดีสะดวกค่ะไม่ต้องไปลงสุวรรณภูมิแล้วค่ะพอาจารย์พระอาจารย์คะพอมีงานศพทีอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอญาติต่างๆของเราเยอะแยะเลยใช่ไหมเจ้าคะ มันก็จะมีญาติที่แบบเราเห็นแล้วเออเขาทุกข์อะไรเงี้ยแล้วดีจังเลยที่เขาได้เกิดเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูหนูก็เห็นเขาหนูก็ถามเนี่ยเนี้ยสนใจพระพุทธศาสนาไหมถ้าสนใจเลยเคยลองนั่งสมาธิไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเคยสนสนใจแต่แต่ตดูเหมือนว่าเวลาฟังเวลาหนูเล่าให้เขาฟังอะ่ะเหมือนออกหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาไม่ได้ ไม่ได้มีความสนใจมากมายเท่าหลายคนะแต่หนูก็อยากให้เขามีความใหญ่หนูอยากให้เขาแบบสนใจเผื่อเผื่ออนาคตเขาจะดีขึ้น อ, อะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างเงี้ยหนูควรจะแบบหนูควรจะดบบดึงเขามาหรือหรือว่าปล่อยไปให้มองว่าเป็นสัตว์ลดเป็นไปตามกรร ม, มควรจะมองแบบไหนดีคะ่ะดูว่าเขาสนใจหรือเปล่ปาให้เขาติดต่อกลับมาถามแล้ก็บอกเขาไป ถ้าม่ติดตอถ้าเขาไม่ติดต่อไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปไปย้ะไม่เสียเวลาไม่ต้องย้ะไม่เสียเวลาแสดงว่าเขาไม่สนใจพรุ่งนี้หนูกําลังจะดึงเขาชวนเขาไปวัดอยู่ค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่หนูเอาของล่อเขาไปว่าถ้ามาด้วยกันเนี่ยหนูจะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยให้ของกรนให้อะไรอย่างเงี้ยทำไมทาไมถึงต้องไม่อยากให้เขาไปวัดกับเราทาไมคนอื่นไม่ไม่อยากด้วยอ่ะ คนอื่นเขาก็ดูถ้าเป็นญาติคนอื่นเขาก็ดูโอเคแต่ญาติคนนี้ค่ะเขาเขาก็มาจากเขาบินมาจากอังกฤษอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคือเหมือนกับว่าชีวิตเขาตอนนี้คือหนูดูเขาเป็นลูกขี่ลูกน้องหนูนะคะอายุเล็กอายุอ่อนกว่าหนูอบบคะ่ะเขาเหมือนว่ามีทํางานไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยอนาคตก็แบบเธอจะมีชีวิตไปวันๆอย่างนี้มันก็น่าเสียดายนะอุตสาห์ได้เกิดเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็เราได้คุยกับเขาแลไม่ใช่เหรเนี่ยปฏิบัติเอเขาบอกว่าเขาก็เคยสนใจเขาก็เคยนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะบพอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบแบบมุ่งมั่นเหมือนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะบพอาจารย์เจะไปหวังอะไรจากเขาอ่่ะให้เขาทำอะไรหังหนูพูดง่ายๆหนูหนูอิจฉาเขาที่เขาเกิดเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นหนูถ้าหนูก็เป็นเขาหนูจะบวชใช่ไหมะอาจารย์ก็ผู้หญิงก็บวชได้บวชแม่ชีร็บวชได้เหรอคะบวชชีไงบวชชีเหรอคะเหมือนกันบวชีบวชพระก็เหมือนกันอรื่องเสียเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกันไปอยู่สำนักแม่ชีแม่ชีเขาก็มีวัดเหมือนกันได้แล้วเจ้าค่ะอืมเนี่ยเราศึกที่มีวัดแม่ชีสำนักแม่ชีเกือบทุกจังหวัดเราค้นหาดูที่ลำปางดูก็ได้ ไปเชียงใหม่ก็ได้นะนี่มีแต่มีน้อยแต่มีอยู่มีอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหมายคนค้นหาหน่อยค้นหาในกูก็ว่าได้สำนักสนักแม่ชีนี่เดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเจ้าค่ะหมดได้เหมือนกันไม่ต่างหมดได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยเจ้าค่ะไปอยู่กับคนอื่นกันทาไมอยู่กับตัวเราเจ้าค่ะเหนือก็ ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือก็ไปอย่างนี้เขาบอกสนใจคุณอะไรมีอะไรเขาจะเพราะว่าปึกษาเราก็ให้เขาไปแอยู่ดีไปายามที่จะไปจูวยดึงดึงอะไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่เขาจะราคาญเราแล้วค่ะะค่แต่ถ้ายังอยากจะดึงเขาอยู่ก็ลองดูอาจจะถูกสอบกลับก็อยากเสียใจก็ได้ เดี๋ยวจะลองดูปฏิกิริยาเขาวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้หนูจะพาเขาไปวัดนะคะโอเคลองดูค่ะขอบพระคุณนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าวทุกค่ะหนูจะพยายามฝึกปฏิบัติทุกวันค่ะอืสวัสดีคุณอ่อนนงต่อเอาคุณแม่มาฟังทำด้วยเลยวันนี้ นวัสกรรมครัอาจารย์วันนี้พาคุณแม่มาด้วยค่ะอาจารย์ลูกที่ดีเคนนี้ชวนชวนอยู่หลายสัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์คนนี้เลยต้องมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยกันเลยค่ะนีมากดีมากเขาฟังไว้เรื่อยถ้าไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยก่อนก็ได้นวัตการค่ะท่านก็ขออนุญาตรายงานผลนิดนึงครัอาจารย์ผลที่แล้วที่มาสอบถามเรื่องพุทธโททีแล้วท่านได้ทิ้งลมหายใจ ลูกก็ไปลองทําดูก็ก็ก็ได้เพราทิ้งลมหายใจก็กังวลเรื่องลมหายใจก็ไม่กังวลแล้วก็ร่างกายก็เบาขึ้นนั่นตอนที่พอเราพูดโทร ท, ทีีช่วงที่เกิดความเจ็บปวดมันก็เบาขึ้นแล้วก็ข้ามความเจ็บตรงนั้นไปได้พอสมควรเลยค่ะได้คาบริกรรมเนี้ยดีมากเวลากิดาการเจ็บปวดอ่าที่เรายึดไว้มันถึงใจไม่ให้ไปนสนใจกับความเจ็บปวดใช่คือ รู้สึกมหัศจรรย์ค่ะท่านไม่รู้จะใช้คำไหนคือเหมือนยูดีๆก็เบาตรงนั้นก็เหมือนกับเราก็ไม่ไปกังวลกับความรู้สึกตรงนั้นเลยจริงๆเหมือนเช่นขบังภูเขาใช่อก็เลยเราทําบริกรรมนี่มันไม่นวิเศษมากใช่ในการทำใจให้สงบหรือใจให้นิ่งถ้ามันอะไรไม่นิ่งก็ใช้คําบริกรรมไปก่อน้เลย ก็เลยก็เลยเห็นเิ็นล้ว่าเพราะถ้าแนะนำมาทิ้งลมหายใจเลยไม่ต้องกัวงวลก็เพราะรทำก็มหัศจรรย์จริงๆอะก็เลยม า, มารายงานผลท่านค่ะแม่อ่าก็อขอฟังก่อนนะคะท่านค่ฟังไปเรอยเดี๋ย <c oughs> ะ, ะค่อยถามทีหลังก็ได้นะอ่าหนาครานี้กม็มีคำถามคุณอาจารย์มารายงนานผลแล้วก็พาคุณแม่้ามามาฟัง เอาคุณแม่ไปสวรรค์บปนิพพานกันนะใช่ค่ะอันนี้กำลังเริ่มตีตัวแล้วตีตัวขึ้นเครื่องทามาตีตัวขึ้นเครื่องก่นกนอนคะพระอาจารย์ <S <S สาธุปฏิบัติบูชาขัานคะ่ะที่นาที่ว่าคุณนุส า, ากับคุณกุนิสยาไม่ลูกเหมือนกันสมรการคะ่ะพระอาจารย์ อาทิตังค์ดก่อนน้ำมาตการคร่ะพระอาจารย์มี่องคำถามค่ะว่าไเเอ่อับไม่กี่วั น, นะคะ่ะหนูไปลอยอังคารคุณยายะคะ่ะพระอาจารย์แล้วออพอตอนจุดที่ลอยอังคารมันจะเมาเรือะคะ่ะเรือมันโยกปรากยว่าอยู่ๆพี่ลูกพี่ลูกน้องะคะ่ะเขาบอกว่า อย่าอย่าไปฝืนมันสิคือจริงๆเขาก็พูดมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าบอกว่าอย่าไปฝืนมันสิทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นก็เลยเออล้วทํายังไงเขาบอกว่าพอมันโยกก็ให้รู้สิอย่าไปอย่าไปต่อต้านมันก็เลยเพอลองดูค่ะพระอาจารย์ก<ม>็าหายเมารเรือไปเลยอ่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้มาว่ามันเหมือนเราไปต่อต้านความอยากจะจควบทุมไม่รู้ตัวค่ะค่ะเราอยู่ที่นิ่งๆแล้วพยายามที่จะบังคับมันนิ่ง สถานที่มันไม่นิ่งก็ต้องขยับไปกับมันโยกไปกับมันก็เนี่แหละก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากจิตของเราเนี่แหล ะ, ะที่ทำให้เราเกิดอาการเกิดอาการเมาขึ้นมาพอเราไม่ไปฝืนความจริงเราไปไหลไปกับความจริงใช้อุเบกขาเฉยๆไป ถ้ามันไม่ยอมเฉยเราใช้พุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วปล่อยให้มันขยับไปตามตามขึ้นมันก็จะหายได้ก็ดีก็ดีได้ประสบการณ์ดีดีกลายเป็นว่าโอ่อนโดนหลอกแต่ว่าปัญหาคือจริงๆถ้าเรารู้ตลอดว่าเรากําลังฝืนอะไรก็มันน่าจะชีวิตมันน่าจะง่ายก <นำ S 2> ว่านี้ค่ะอาจารย์มันยากเพาเราพยายามไปเผยความจริงแล้วก็ไม่รู้ตัวได้ค่ะว่าฝืนค่ะ ไม่มีสติเลยไม่ไม่มีสติค่ะก็พอกลับมาก็เลยพยายามแบบเวลานั่งทํางานหรืออะไรเงี้ยจะก็เลยลองใช้วิธีนี้ตูก็ช่วยได้บ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเราไปพยายามฝืนกับอะไรบ้างยังไม่ยังไม่ เ, เวลาเจ็บนี่ก็อย่าไปอยามให้มันหายเจ็บนี่ก็ฝืนนะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอยู่ความเจ็บไปมันก็ไม่ทําอรมาะ เวลาเป็นโรคภัยแค่เจ็บหมูอยากจะหายเงี้ยสร้างความทุกข์ทรมานขึ้นมาเองถ้าบอเ อ, อดีมันมาก็ดีนานๆเจอกันทีต้ น, นับกันอยู่ด้วยกันไป mm hmm. อยู่กับมันไปมันก็ไม่ทรมานเอือว่าช่วงนี้คือพ่อนักเรียนจะเริ่มสอบเข้าอะค่ะก็ mm hmm. ก็รู้สึกว่ายอยากจะให้เขาสอบได้แล้วมันรู้สึกเที่ยวเท่าไหร่ <S <S ใช่เพราะมันก็นเทียวเท่าไหร่ ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่ดีเดี๋ยวเวลาเราสอนแล้วเก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําไงเราไปเชียดกับมันทําไมค่ะก็เลยต้องต้องมาบอกตัวเองค่ะก็มันดูแข่งกีฬาก็ไปเคียดกันนักีฬาทีหนึ่งก็อยากให้กาชนะเองคนเรามันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดูเฉยเฉยอยู่เฉยเมันชาอบไปอันยุ่งทุกอย่าง อยากให้ก็งง เ, เป็นอย่างนั้นอยากให้เขเป็นอย่างนี้ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เลยเกิทุกข์ขึ้นมาในใจแบบเกิดความเครียดขึ้นมา<ช>ต้องมาฝ<ช>ึกโบเบคาจะได้เฉยๆให้รู้เฉยๆค่ะจะเอาพยายามตอนนี้พยายามคิดเรื่องที่อยากให้เด็กตอบเข้าได้哟ค่<笑>ะค่ะลุ้น ค่ะอาจารย์แล้วก็คำถามที่สองคถามที่สอง ค, ค่ะคือเรื่องการฝึกสมาธิค่ะหนูคือพระอาจารย์จะให้คือวิธีคื อ, อ, คอปกติเวลาที่เข้าสมาธิค่ะพระอาจารย์พอมันเริ่มถอยมาหนูจะชอบมีพวกภาพอสุภะขึ้นมาแล้วทีที่เคยสังเกตนะคะถ้าสมมุติหนูไปดูเขามันจะเข้า มันจะวุบเข้าไปในที่ว่างง่ายกว่าแล้วก็จะนานขึ้นพอเขาเริ่มสันสนออกมาปุ๊บหนูก็จะชอบหนูจะใช้วิธีเอาอัตุภพักขึ้นมาพิจารณาทันทีนะคะ่ะแล้วมันก็เข้าไปอีกมันก็สงบไปแล้วพอแล้วออกมาก็สลับกันไปแบบนี้หนูรู้สึกว่าถนัดมากกว่าแต่ว่าที่พระอาจารย์แนะนําคืออยากจะให้ให้อยู่ในที่ว่างพอออกมาปุ๊บ ก, ก็ให้ดันเขาเข้าไปเลยอะคะ่ะพระอาจารย์คือถ้าหนูใช้วิธีพอออกมาแล้ว พิจนาได้หรือเปล่าคะหรือว่ามันมันเป็นยังไงบ้างอะคะไช่ถ้ามันทําให้ใจเราสงบก็ได้วิธีไหนก็ได้ค่ะ<ม>เดี๋ยวจะลองทําดูว่าวิธีไหนคล่องกว่าแต่หนูรู้สึกว่าวิธีเดิมหนูรู้สึกถนัดกว่าคะ่ะพระอาจารย์ก็ได้วิธีไหนก็ได้ทําให้ใจสงบว่างเย็นสบายก็ใช้ได้ โอเคค่ะได้ค่ะไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะครับครควนี้ของโยมนะคะอาจารย์คือโยมจะนําคําที่พระอาจารย์บอกว่าให้รู้เท่าทันมันพอเรามีอารมณ์ปุ๊บความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้เท่าทันมันใช้ได้ดีเลยค่ะอาจารย์เราจะเริ่มรู้สึกพอเรากําลังขึ้นอารมณ์เรากําลังหุนหงิดใช่ไหมคะมเรารู้เท่าทันมันปุ๊บมันก็จะหายไปค่ะ รู้สึกว่าเอามาใช้ได้ได้ไดผลจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือแม่โยมสั่งเอาไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าถ้ายัางไงให้เอาไปลอยอังคารที่หัวหินเราก็ไปกันแล้วโยมเดินทางในรถไฟค่ะอาจารย์มันโยกเยกโยกเยกเรารู้สึกไม่คุ้นชินแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วโยมถือศีลแปดเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาหารเราก็จะไม่ไม่เป็นไปตามที่เรากาหนดนะคะ<ม>ก็ ก็ไม่ไม่เอามาเป็นอารมณ์พอไปลอยอังคารแล้วก็เห็นกระดูกแม่เป็นสีขาวกระดูกพี่เป็นสีขาวก็ย้อนมาดูกระดูกเรา อ, อ๋อเซมว่ากระดูกเราก็เป็นสีขาวแบบนั้นเหมือนกันแล้วพอลอยอังคารเสร็จก็กลับมาบ้านแต่ว่าการเดินทางจากหวัวหินมันสูงไอ้กระลกเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมาถึงที่หัดใหญ่ประมาณแปดโมงเช้าซึ่งไม่อาหารค่อนข้างยากโยมก็เลยได้แค่ไก่ทอดตองน้องตองชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวสามชิ้น เลี้ยงตัวเองยาวมาเลยค่ะอาจารย์จนถึงวันรุ่งขึ้นมันก็อยู่ได้นะคะมันเขาหนานมันวันๆก็ยังอยู่ได้ใช่ค่ะโยเอาข้อนั้นแหละค่ะมาเป็นข้อคิดเอายินดีตามมีตามเกิดก็ก็บอกว่านี่ไงเคฟซี 4, สถานีรถไฟก็อยู่ได้อยู่ค่ะอาจารย์แล้วก็เราก็มาใช้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นมื้อเดียวอยู่ค่ะอาจารย์แล้วก็พรุ่ง น, นี้นะคะโยมจะไปขึ้นเขาชีโอนค่ะ ยมลูกไม่ได้ไปด้วยแต่ยมไปกัมบลิกาเขามีคนติดตามค่ะอาจารย์ดีจ้าดีจ้าสาธุค่ะเดี๋ยววันวันสุขค่ะขึ้นเขาแต่พรุ่งนี้จะไปได้แค่สี่วันเองค่ะอาจารย์จริงๆยมจองวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบแต่มันเต็มแล้วก็มันว่างช่วงวันที่สองถึงวันที่สิบเอดแต่ว่าวันที่สองยมต้องกลับมาจากรอยอังคารแม่ไงคะก็ละล้าละลางแต่ว่ายังไงก็ตัดสินใจว่า อ้าเป็นไงเป็นการไปไปก็ไปค่ะอาจารย์พัวันได้ก็ไปใช่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่ามันตีมากแล้วควรจะไปได้แล้วอะค่ะประมาณนั้นค่ะอาจารย์อืสาทุกค่ะสาธุสาธุค่ะไปที่อาจารย์พรมวิไลกอธรรมร์กลันอนสกกรมพระอาจารย์ค่ะอ่าคุณนุ่นมาอย่าง มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอาจารย์ไปดนีนะฮะมาดีเหมือนเดิมอาจารย์ส้ายเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้ก็ไปตรวจร่างกายมาค่ะก็ผ่านเปรกรหนึ่งปุนปูนนะคะอยู่โรงพยาบาลกันทั้งวันเริ่มจากหมอหนึ่งหมอ เพิ่มเป็นสี่ตอนไม่ลดเหลือสองแล้วไปตามสังขารค่ะไปตามวัยสังขารโรกเพิ่มโกรกลดค่ะก็มองเป็นอนิจจังค่ะใช่ใไม่เ้ยมีลงเป็นธรรมดาค่ะ อ, อยู่กับมันไปอย่าไปทุกข์กับมันค่ะลูกก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรก็ยังหือเลงกันแบบปกติค่ะอ่าเนี่ ใจสงบสงบสบายไว้เหมือนรอดูหนังรอลุ้นเป็นตอนๆไปค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์มากับค่ะค่ะทวันนี้ไปที่คนนิสาที่เอสอดวน์มัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามากับพระอาจารย์ค่ะ ยังปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมค่ะยังเข้มข้นเหมือนเดิมอยูน่นะเข้มข้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะคะอือแล้วก็ข้ามเวทนาได้ไม่มีปัญหา ก, กับเรื่องเวทนาเลยแต่ว่าค่ะแต่ว่าเวลาเข้าสมาธิมันลูกมนความรู้สึกว่าเหมือนกับคือลมหายใจมันเบานิ่งสงบสบาย แต่ว่ามันมันจะเหมือนกับมันอยู่ในรัศจะบอกว่ามันรู้หรือว่าเราชอบไปเปรียบเทียบกับการที่เราเข้าสมาธิครั้งแรกที่มันอาจจะแบบเหมือนกับดิ่งลงไปในแ บ, บบวิบลงไปแบบสงบนิ่งแบบมีความสุขมากๆตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันมันเหมือนมันไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็สงบอะค่ะพอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆมันไม่แน่นอน คือมันต้องใช้เวลามากๆใช่ไหมคะคุณที่สติของเราไมีมากม่น้อยค่ะ อ, อาจารย์มันก็จะเป็นแบบค่ะ อ, อ, อาจารย์อย่าลืมเจริญสติเป็นหลั ก, ก, ก อ, อาจารย์แล้วถ้าไม่ได้ค่ะ อ, อาจารย์เป็นเรืมาก้าสติก่อนค่ะก็ลูกก็จะถ้าถ้าช่วงที่ในในขณะที่ต้องทําอะไรไปก็จะดูร่างกายไปะคะ่ะ ถ้านั่ง เ, ยเฉยๆถ้าไม่คิดอะไรก็ ก, ก็เฉยๆปล่อยมันไปแต่แต่ถ้ารู้สึกว่ามีความคิดก็จะใช้พุโทโธค่ะพยายามจะแบบพยายามจะรู้ว่าอ่ะคิดแล้วนะอะไรอย่างนี้ยค่ะอาจารย์มีสิ่อเนื่องต่อไปมันก็จะเหมันก็จะเข้าไปได้เลยค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้จะเป็นช่วงที่แบบ คือต้องสักษาระดับตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวถ้าเราสติดีนี่คือมันจะนิ่งลงไปเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คือในระหว่างที่ลูกนั่งสมาธิคือหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอย่างนี้ยคะ่ะคือมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นไซเคิลของมันอะคะ่ะคือเหมือนกับมันก็จะนิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบมีความรู้สึกคุยกับตัวเองแต่ว่าเราก็จะรู้แล้วก็จะ ดูลมหายใจต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีการลุตานะคะก็ไม่มีการขยับตัวอะไรเลยอันนี้ทำถูกทางแล้วใช่ไหมคะขรอาจารย์อ่ออย่าไปขยับน้ำใค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคาถามอะไรค่ะเข้าสัดนามสกาลพระอาจารย์ค่ะเสียงพระอาจารย์เบานิดนึงนะคะเบาเลตอนนี้เบาหรือเปล่ายังยังเบาอยู่เบาครับอาจารย์เบาบครับ่าจะไม่ดนมันกระจายอะไรเ มีมีทางยูทก็พูดค่อยด้ไหมน้องอือหรือว่าใจจากไมคครโฟนป้าขาวไปแต่ก็ก็อโอเคค่ะได้ยินค่ะเพียงแต่ว่ามันมันเบาเป็นนี่ อ, อันนี้แะอันนี้ดีขึ้ น, น, ด, นดีขึ้นแล้วค่ ะ, อะโอเคดีขึ้ น, น, น, ด, นดีขึ้นเลยค่งทีมันไปตั้งรถของมันเองอ๋ออันนี้อันนี้ดีแล้วดีแล้วต้องต้องไปดันวอลลุนก็นหน่อยเมื่อกี้มันอยู่ที่เก้าสิบอันนี้ปรับขึ้นไปน้อยนึง นนดีอันนี้ดีแล้วค่ะอ๋อได้อ๋อได้ยินแล้วนะอันนี้ดีแล้วค่ะโอเคครับอ่ะดูอ่าดไม่ต้องเกรงใจนะมีอะไรก็บอกได้้ะแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้อ่าพรออาจารย์อันนี้ดีแล้วค่ะเสียงชัดเจนอ่าใช่การการตําหนิด้วยเห็นด้วยผลนี่เป็นสิ่งที่ดีอบคุต้องยินดีฟังไม่ว่าใครจะตําหนึ่งแล้วนะฟังที่เห็นผล ค่ะพอดีเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเห็นคุณบอยเขียนขึ้นมาค่ะ<ม>แต่ว่าโอเคดีแล้วนะี้สร้างมันเต็มร้อยแล้วแนหะค่ะดีแล้วค่ะโอเคยังไปที่คนจีบต่อเลยคนจีบท่ไหนไหรับาวิลเล์เดนส์เบอร์การนมัสการพระอาจารย์วันนี้ยมไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะวันนี้นเข้ามาเร็วเพื่อมาฟังพระอาจารย์ค่ะ วันนี้อยู่ที่ทำงานนะใช่ค่ะช่วงนี้ช่วงสองอาทิตย์นี้ยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขามันเป็นช่วง extend ไท่อามยืดเวลาภาษีให้ถึงดิวเดดวันที่สิบหกนี้ค่ะคือจริงๆปกติมันเดือนเมษาแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขยืดเวลาก็ได้ให้ถึงเดือนตุลากลางเดือนตุลาค่ะแต่ว่าลูกค้าบางคนก็มโยก็ไม่เข้าใจมนุษย์แบบ ชอบแบบไปทํ last minute นึงแบบสีกสองอัตที่จะต้องส่งแล้วแล้วก็มันเร่งเร่งเรงเร่งเร ง, เงเอาตอนที่มันแบบัวนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยุ่งนิดนึงเจ้าค่ะแต่ก็แบบก็โอเคค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้าค่ะก็นี่มีอะไรคะ่ะวันนี้เห็นเห็นเมื่อช้าเมื่อคืนนี้เพื่อนโยมโทรมาบอกว่าอเมริกาเขาจะอะไรนะเขาจะทํา emergency alert test นะคะ เทสแบบทั่วไปทั่วทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามือถือเข้าทีวีเข้า uh, อ่ <with S 2> าว <you, S 2> ิท uh, ยุค่ะใช่ <A> แต่ว่าุากเจใช่แต่บางคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยมันเป็นระบบ a อไอหรือเปล่ามันแบบว่า ม, แบบมันจะแบบ track เราทุกที่ทุกทุกอย่างทุกสิ่งแล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะใช้เวลาแบบคร <c oughs> าบช่วง period มันจะแบบครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะพระอ า, าจารย์เทสอะไรแบบครึ่งชั่วโมง เราวิเศษนักเลยเขาถึงวันจะมาแท็กเราทาไมรแบบน่าจะซียอก็แบบยอมก็เออไม่เา็รกงกันบ้าแล้วเกินอ่ากวเาบอกแท็ก็บอกว่ายังไม่คิดในใเออเราคนสาคัญมากเลยว่าจะแท็กคนตรงสามนอกอล่างคนมันจะมาคอยแท็กเราเออแท็กเราก็ดีนะได้รับรู้ว่าเราฟังพระอาจารย์ดวันผุดเขาเผื่อเขาจะได้มาฟังบ้าน อก็ไม่มีอะไรทุกค่ะยงก็เลยบอกรู้บอกว่าโอเคโอเคปิดมือถือที่โรงเรียนคนที่โกนแสก็พ่อะชอบไปทําอะไรไม่ดีนึกไม่อยากให้คนก็สแสกขึ้นเรอยวมามาไม่รู้ว่าลูกไปทำอะไรปางไปแอบดูเว็บอะไรหรือเปล่ายงก็บอกว่าปิดมือถือเลยนะเราไปแอบดูเว็บอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวเขารู้แล้วโตขึ้นได้เป็นใหญ่เป็นโต่ ยมก็แบบว่าโจ้กับลูกยมก็แบบว่าแม่อยู่เรซี่มากเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ก็แบบว่าก็ตลกตลกดีค่ะเวลาเออเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางคนก็แบบโอ้ตื่นตัวบางคนก็กลัวเหมือนกันยมโอเคถ้าเพื่อนไม่บอกยมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขออาจารย์ร้านทนแข็งแรงและปลอดภัยนะคะสาธุ ค่ะไปที่คุหมอภาสนากทมกรรมนมมสกการค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกเวลาผ่านไปไวมากเลยพระอาจารย์ยังสงบอยู่นะคะทั้งในและนอกใจอาจารย์ <c oughs> <ด>คะวันนี้เห็นพระอาจารย์โพสต์ก็อยากจะถามพระอาจารย์นิดหนึ่งคือพระอาจารย์โพสต์ว่าสติมันเป็นเหมือนบางเหียนนี่ถ้าเกิดเราใช้สติเป็นบางเหียนเนี่ยเราก็ดูว่ามันเห็นว่าทุกอย่างเป็นโลกธาตุได้แล้วเนี่ยใจมันก็จะมันก็สงบ เพราะฉะนั้นถ้ามันสงบเราก็ไม่ต้องทําอะไรจากมันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เป็นสติเป็นบางเห็นตลอดแล้วก็ดูว่าใจมันสงบได้แล้วก็แค่นี้ใช่ไหมคะดูไปเรื่อยๆก็มันสงบมันสงบมันมีหลายระดับสงบแบบไม่พุง่งสงบแบบเข้าชานี่มันถ้าจะอยากสงบแบบเข้าชานมันต้องใช้สติที่ค่อนข้างที่จ ะ, ะ, ะเข้มข้นกว่าสติธรรมดาทั่วไปเนี ถ้าสติบางทีว่าถ้าระหว่างวันที่ไม่ได้เข้าถ้าไม่ได้เข้าสมาธินะคะพระอาจารย์เราใช้สติแบบเห็นโกธาตแล้วก็สงบปีได้มันมันเป็นอย่างนี้ก็ได้คือมันจะไม่มีอารมณ์มันก็คืออย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะหรือเราต้องดูว่าเอ๊คือมันเราก็สังเกตดูตลอดมันก็มันพอเราเห็นโลกธาตมันทําให้มันไม่มีมันไม่มีความอยากอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันถูกต้องไหมพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ทุกข์ก็ใช้ได้นะที่ปฏิบัติทั้งหมดนห้ก็เพื่อม้องทันไม่ให้ความทุกข์เกิด มีถ้าทุกขเกิดก็ต้องทาให้มันดับให้ได้ถ้าใจไม่ทุกข์กับอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้สติเป็นบางเหียนดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระ้ซเราก็ต้องยืนดูว่ามันเหตุการณ์มันไม่มันไม่มันมันอะมันเป็นแต่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไบางช่วงบางทีมันอาจจะมีอะไรขึ้นมาบางช่วงไม่ได้นะมันเป็นมันไม่แน่นอนถ้าเกิดไปเจออุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรขึ้นมากระทันหันขึ้นมาอยงี้ ตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นใจเรายัางจะเฉยเรื่องว่าวุ่นวายเครียดขึ้นมาอะไรนี่มันก็ต้องพยายามใช้สติให้ปัญญาเพื่อระงับให้มันเป็นปกติฉเฉยๆไปไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกต่มีขโมยขึ้นบ้านจะกฆ่าเราเนี้่เราก็าจะรู้สึกยังไง ลูกเฉยๆอ่าแต่เฉยๆโอเคาไม่เฉยก็เราให้มันเฉยเอวันที่พารากอนนะพระอาจารย์ก็อยู่ในพารากอนนะพระอาจารย์ก็เฉยๆก็แบบว่าได้พอดีไปรับลูกเลยพระอาจารย์ก็อยู่พอดีไปไปซื้อของนะคะก็รู้สึกว่าเออคือเข้าใจที่พระอาจารย์บอกตอนนั้นนะคะที่บอกว่าถ้ามีระเบิดเนี่ยคือหลบได้ก็หลบแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งหนีเพราะกลัวตายคือเริ่มเข้าเข้าใจเลยที่พระอาจารย์บอกแล้วค่ะคือมันมันคือหลบได้ก็หลบแต่ว่าถ้ามันมีอะไรก็ ก็ยอมรับมันได้เพราะมันเป็นโลกธายมันเป็นสมบูรณใช่ไหมคะว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผ่านได้อันหนึง่งอันนี้เหตุการณ์ที่ที่ผ่านได้นะคือเราก็ต้องดูแลร่างกายเราเท่าที่เราจะดูแลได้ไดแต่ใจเราก็ต้องไม่ตื่นประหลงใจเราก็ต้องเฉยเฉยมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อาจารย์ก็ทําต่อพระอาจารย์ค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรจะได้มาถามเพค่อยสังเกตไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ฟังหลวงพ่อชายอยู่นะคะที่ที่พระอาจารย์ให้มาเมื่อตอนนู้นนะคะก็ค่อยๆฟังไล่หลวงพ่อมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงหลวงพ่อชาก็ฟังดูเรื่อค่ะเวลาอีกประมาณไหนค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนลพระอาจารย์ได้กําลังใจแล้วก็มีอะไรก็จะได้มาสอบถามพระอาจารย์เดือนเดือนเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะพาคุณพ่อแล้วก็แล้วก็ทอบครัวไปหาพระอาจารย์นะคะอือืมค่ะทุก ไปที่คุณก๊อฟอฟี่สุรา ธ, ธานีไปปฏิบัติธรรมร่างเรียงเนี่ยวันศานี้รวษาไปบ้างหรือยั ง, ย, ย, งยังยไม่เข้าเลยก็ยังไม่มาเลยอาจจะต้องใช้ใช้ไม้ธรรมดาไม่ไปใช้หูฟังตอนเราเราพูดเราพูด อ่าได้ยินนะต้องใชกล้ๆหน่อยพอดีผมผมใช้ไอแมสครับแล้วทีนี้ผูฟังมันรู้สึกว่ามุนเสียก็เลยไปซื้อหูฟังถูกที่เซเว่นแต่ยังไม่ได้ไปซื้อหูฟังใหม่ครับอ่บามันพอดีใช้ไม่ได้ไม่มีเสียงเลยเมื่อกี้มีอะไรไหมใช่ไหมครับเอ่าเมื่อวานพี่ได้ฟได้ฟังครว่าาจารนะครับอ่อา แล้วก็รู้สึกน้ําตาไหล่ครับแล้วก็ใจก็รู้สึกน้งโล่งว่างๆอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับเหมือนสิ่งที่อาจารย์ได้สแสดงมันเข้าไปถึงในใ จ, จิตใจครับแล้ววันนี้ก็มื่อี้นั่งสมาธิก็คือเกิดความสงบแล้วก็รู้สึกว่าสว่างประวังแล้วก็มีความสุขมากก็ดีก็ดีทําไปเรื่อยๆทําไำบ่อยๆ ยังยังไม่ได้ปฏิบัติครับแต่ว่าก็ก็จะยึดปฏิบัติที่บ้านครับอเออพยายามหาโอกาสไปปฏิบัติที่ที่วันบ้างก็จะดีมันที่มันสงบกว่าแล้วได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเปนจิตเริ่มมีสมาธิครับคืออยู่อก่อนที่บ้านประมาณสองเดครับคือโดยจิตรวม ได้ประมาณสามครั้งเลยครับสองสี่หกแต่วตอนนี้แบบว่าเหมือนสมาธิมันเสกิดเรางานเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องปล่อยบ้างบ้างยไปทํามากเกินไปทําพอเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าได้ก็พอถ้าได้เงินมากหดีอยวเอาเงินไปเที่ยว อ, อีกเอาเงินไปิไปเลี้ยงกิเลสเนีย่ยไปมีมากมีพอไว้เลี้ยงร่างกายก็พอ อยาไปเล่นกิเลยเล่นความอยากก็ต้องมีป้าอาจารย์ให้สติปัญญาเอาเวลามาไปปฏิบัติธรรมบ้างจะดีกว่าเสียนะงหายไปแล้วไม่เข้ามาเลยน้อมรับคำสอนโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะ อืไปที่เชียงรายคุณเองเชิญ ก, การันมรสการพระอาจารย์ครับผมอเป็นยังไงบ้างครับก็ผมก็ปฏิบัติอยู่ครับทุกวันครับพระอาจารย์ก็วันพ้าก็ถือมีสันชิตอยู่ครับพระอาจารย์ครับอืก็สงบดีครับช่วงนี้ครับในสันชิต น, ะนี่ตกจริญกันแล้วนะใช่าหมสันชินตก็พอดีก็ไม่ไม่ มัน ไ, ได้มีโอกาสออกไปข้างนอกก็ก็จําเป็นต้องปฏิบัติให้เยอะครับอาจารย์ครับคุณพ่ก็เหมือนกับพระอาจารย์ที่ที่บอกว่าปฏิบัติมากมันมันก็จะจะได้มากเนี่ยครับอาจารย์ก็พยายามนั่งสมาธิให้มันเยอะๆหน่อยครับใช่มากจงเลี้ยสตินั่งสมาธิครับผมก็ช่วงนี้ก็เห็นแบบว่ามันมันรู้สึกตัวเร็วครับอาจารย์เวลาความคิดที่ชิด มันไม่ดีเป็นอกุศลเป็นอะไรขึ้นมาก็เราก็รู้ก็ก็เวลารู้รู้สึกตัวมันก็เออมันก็แบบว่ามันก็หายไปครับอาจารย์ก็มันรู้มาปุ๊บก็เราก็ตัดมันไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ว่าเอ๊ยมันไม่ดีที่บอกความคิดอย่างนี้ขึ้นมามันใช้ไม่ได้ความคิดมันเป็นอกุศลเป็นอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยครับอาจารย์ออย่าไปคิดเลยก็ดียิงได้ยิงหนี อย่าไว้ใจว่างๆคุณเฉยๆนี่เปล่าครับอ่าครับเมื่อกี้แบบมาขึ้นมาพระอาจารย์มันแวบมาเงนี้อ่าครับก็ก็รู้สึกตัวเร็วขึ้นนะครับอาจารย์ครับก็ต้องคอยห้ามมันเวลาเจอความคิดไม่ดีกันต้องคอยห้ามคอยเบรกมันครับคอยเบรกครับผมใช่ครับก็ไม่ให้มันออกมาทางวาจาครับอาจารย์มขึ้นมาก็เราก็รู้สึกตัวก่อนเนี้ยครับอาจารย์เราเห็นว่าเอ้ยความคิดมัน มันไม่ดีมันมันเป็นในออกในทางโลกนี้อะครับอาจารย์ใช่ครับผมโอเคโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติดูครับอาจารย์ครับสาธุครับผมขอบคุณแนนอุดรธานีอาารยมะสกัดค่ะพอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะอ่าไปทุกคนเดียร์เดียร์โอราดอ่านรรมะสกัดพระอาจารย์เจ้าของ อันนี้ ม, นนมีคำถามสองคำถามเจ้าค่ะว่ามาไงเอ่อคือก่อนหน้านี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วเอ่อไปช่วยโรงครัวทำแบบข้าวจนเช้าให้พระฉันเนาะค่ะแล้วมีต้มน้ําขิงให้พระแต่ว่าเขาก็จะแยกใส่กาให้พระแล้วก็น้ําขิงที่เหลือในในในหมอ้อเขาก็บอกว่าแม่ครัวหัวคล้ายๆกับหัวหน้าแม่ครัวก็บอก ไ ม, ไม่ใช่แม่ครัวมาถึงว่าเป็นพูดปฏิบัติแต่เขาก็ไม่ใช่ไม่ชีก็บอกว่าทานได้เจ้าค่ะแล้วลูกก็เลยทานไปเยอะดื่มไปเยอะเลยเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่พระจะฉันเช้านี่จะจะเหมือนผิดไหมเจ้าค่ะจะต้องมีวิบากไหมเจ้าค่ะเหมือนไม่ใช่ของเหลือพระเจ้าค่ะคือของที่เขาจะแต่ว่พาพระเขาแยกออกไปแล้วใช่ไหม ใช่จ้ะค่ะก็ถือว่าของที่เหลือก็เป็นของเหลวเนี่ยของที่ของของของพาดไดแยกไปแล้วส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นของเหลวไปอ๋อเราก็ไม่ต้องไปใช้นี่สนะ่งเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วก็มีอีกคําถามนึ่งจ้ะค่ะสง ส, สงสัยว่าสงสัยว่าเวลาขอโอโหสิพฤิกรรมวิบบังก็ยังอยู่แต่เหมือนเราขอพฤติกรรมให้ใจเราไปต่อได้แล้ว แล้วทีนี้เวลาจิตปา마ฏภะเกิดขึ้นแล้วเราขอเข้ามาภรัตนไตหรือการที่เราขอเข้ามาภรัตนไตเป็นประจำอย่างเนี้ยค่ะจะเป็นจะเป็นคล้ายๆกับลองงงไงไหมเจ้าคะเหมือนศีลเป็นศีลแล้วประตูปลาถานไหมถ้าเราไม่วิบากลดลงไหมเจ้าคะคือการขอศ <ขอ S 2> ีลไปการก็ขอเสลเนี่ยมันการเหมือนกับพยายามรับว่าเราทําผิดเราจะไม่ทําอีกต่อไป ไม่ได้ขอมันอยู่เรื่อยๆแสดงเอาไปขอไมเสียเวลาหรอเปล่าขอเล่ากลับไปทำซ้าเดิมอีกอย่าไปขอพณายมาขอแล้วหมายถึงว่าเราจะไม่ทำอีกขออภัยขอโอสิขอโทษปแต่ว่าที่ที่ที่วัดที่เวลาสวดมนต์เราจะมีบทขอเข้ามาพัตนาไตอยู่เรื่อยๆก็มาถึงว่าถ้าเราโทษที่เราปามาไปแล้วก็ยังคงอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ คือกรรมที่เราทําไปแล้วมันไปรับลบล้างมันไม่ได้เท่าที่เราพยายามก็โหสิเพื่อป้องกันไม่ให้ทํากรรมซ้ําเติมซ้ําซ้ําเดิมอีกซําซ้ําอีกเจ้าค่ะแล้ก็มาลาพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีเดี๋ยวจะมีเหตุให้ไม่ได้เข้ามาอีกสักระยะหนึ่งเจ้าค่ะก็เลยมากราบลาพระอาจารย์วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปปฏิบัติบูชาเจ้าหวังว่าเป็นเหตุที่ดีดนะ โอเคถ้าจะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณโอโอภูเก็ตลองกลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอได้ยินแล้วได้ยินแล้วมาได้ยินเสียงไว้เจ้าค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้ววดโอได้ยินเสียงพระอาจารย์เบามากเลยเจ้าขาวเพื่อสักคู่อ่าอันนี้ไม่ได้ยินนะอ่าตอนนี้ได้ยินแล้วเจ้าค่ะมามา แอบไปสอบซ้อมกัเจ้าขาพญาจย์แอบไปสอบซ้อมวันสองรอบเจ้าค่ะตกไปรอบหนึ่งแต่ว่ารอบที่สองอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะโดนตัดคะแนนไหมเจ้าขาพญาจาันเพราะนั่งไปชั่วโมงกว่าแล้วทีนี้เวทนามาค่ะก็คือปวดที่เดิมเลยเจ้าขาพญาจันลูกก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีบอกว่าเหมือนกับอยู่กับเวทนาได้เป็นพักๆเจ้าขาพญาจยา์เหมือนมันจะเบาๆตรงนั้นเจ้าค่ะ แล้วก็พออยู่กับผู้โธอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เมืทีแต่พอพอไปที่ดูลมหายใจปุ๊บมันก็จะกลับมาเจ็บอย่างนี้เจ้าคะ่ะแล้วเช่นี้ก็กลับไปที่พุโทโธมันก็จะจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่พอดีว่าในคนที่บ้านอะ่ะเขาลูกไปในครัวพอดีไปเปิดไฟอะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะลูกก็เลยบอกว่าเลื่อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาดูว่ากี่โมงแล้วลแต่ขาไม่ได้ขยับได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ใจว่าจะจ ะ, จะโดนตัดคะแนนมิทตอร์มเจ้าคะ่ะก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน พักยกก่อนนะ ไ, ปไปดูมือถือก่อนน่อยอาจจะไม่กลับมาต่อสู้ใหม่แต่เพราะอาจารย์ลูกก็อยากไปขึ้นทางด่วนเหมือนคนอื่นเหมือนกันนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าบางทีทุกข์กับเรื่องนี้มากเพราะว่าเหมือนช่วงที่บอกว่าลูกอยากปฏิบัติมากๆอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์คืแล้ว<ไ>ปฏ <คน S 2> ิ <ๆ S 2> วัติบ้านมันไม่สะดวกมากๆเลยเจ้าค่ะอาจารย์คือ พอเคยแคว่าจะไปอ่ะเขาไม่สะดวก็อย่าถ้าไม่สะดวกก็อยจจา่า ไ, นไปนะคะ่ะเพราะว่าเหมือนยังไม่เข้าใจกันเจ้าคะ่ะอาจารย์ที่จะทะเลาะกัน อ, อย่างเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกว่างั้นคือเรียนนี้จะ อ, ออกพรรษาแนละ้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะอาจารย์ลูกเสียดายเวลามากเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องรีบกรอโประะอะไรอย่างเจ้าค่ะลูกก็เลยจากทีทีแปดสองวันก็จะเพิ่มเป็นที่ละสามวันเจ้าคะ่ะ กคือว่าจะได้มีเวลาดิ้งมาปฏิบัติตรงนี้ได้มากขึ้นเลไอย่างเจ้าค่ะเี่ทำให้มากขึ้นเจ้าค่ะแต่ใจอ่ะบางทีอยู่ที่เขาบทเขาเลยด้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้เลยว่าคืออยากไปมากเพราะว่าอยากไปหาที่สัปเหอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือไม่อยากให้ต้องพะวงอะไรมีอะไรมารบกวนอะไรอยา่างนี<ม>้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางทีเราปฏิบัติแล้วมันมันไม่สะดวกด้วยเจ้าค่ะอยู่ที่บ้านแต่พอจะไปมันก็มันก็ยังไปไม่ได้ทีเจ้าค่ะพระอาจารย์ ไปไม่ได้ก็อย่าเพ่งไปอยากเพราะว่าคือบางทีมันทุกข์กับตรงนี้นะเจ้าค่ะอาจารย์ทุกตรงที่ว่าเราอยากไปแต่มันไปไม่ได้บางทีคือมันมีความรู้สึกว่าลูกอยากทิ้งไปเลยแล้วก็ไปเลย <laughs> มันนี้ความรู้สึกนี้โผล่เข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์ก็ต้องก็ต้องห้ามไว้ก่อนเมื่อมันไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่ า, าๆเจ้ค่ะก็เลยคิดว่า นั้นก็สี่แปดไปอาทิละสามวันเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มอย่างนี้เจ้าค่ะอยากในทำอยางในสิ่งที่เราทำได้อนไ น, นอยากก็ยังทําไม่ได้อย่าพุ่งประยัดแขวนไว้ก่อ น, จ น, นเจคะมนใช่ไหมมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะก็คือว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างเจ้าค่ะที่แบบว่าจะทำให้เรามีสติเนี่ย อยู่กับพุทโธได้ในช่วงที่บอกว่าระหว่างวันที่ไม่ได้ใช้ความคิดหรือว่าทาํางานหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์เพราะบางทีพุทโธได้แป๊บเดียวก็ไปอีกแล้วอย่างนี้เจ้าค่ะก็เดึงกลับมา เ, เรื่อยๆเราอยากทำไปเรื่อยๆอยู่ที่ความเพียรความพยายามของเราอยู่ที่สัจจะตั้งสัจจะว่ต่อไปนี้จะไม่ไม่ทิ้งพุทโธถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดเรื่องอื่ น, นก็จะให้อยู่อยู่กับพุทโธไันเรื่อยเหมือนกับอยู่กับลมเหมือนกับเราหายใจเข้าออกนี้ ให้มีพุทโธแต่ไม่ต้องเอาพุทโธไปปลเราลมหายใจนะนี่พูดถึงมาเปรียบเทียบว่าเราไม่ทิ้งลมหายใจนะเราอย่าไปทิ้งพุทโธเช่นั้นได้จ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะนําไปปฏิบัติเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้สาธุเจ้าค่ะปฏิบัติบูชาทุกวันเจ้าค่ะแต่มีวันนี้อาจจะปฏิบัติน้อยหน่อยเพราะว่าอย่างวันที่ลูกไปวัดเจ้าค่ะพระอาจารย์วันไหนที่ลูกไปวัดเนี่ยก็คือเราต้อง ไปทำกับข้าวไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะวันนั้นก็จะปฏิบัติน้อยหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เจ้าค่ะเพราะว่าเราจะตังวลกับการทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์อืมแต่ก็ลดแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ลดไปแบบว่าจากเมื่อก่อนแป๊ะอาทิตย์ละสองสามวันเดี๋ยวนี้ก็อาทิตย์กว่าหรืออาทิตย์หนึ่งไปหนนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมที่ไหนมันดีกว่าการปฏิบัติแล้วก็อยู่ที่นั่นไปก็แล้วกันใช่เจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนปีเนี้ยเข้าพรรษาปีเนี้ยลูกเน้นการปฏิบัติมากกว่าปีที่ผ่านมามากเจ้าค่ะ ว่ทุกปียลูกจะไปวัดแบบอาทิตย์เป็นสองสามครั้งหรือว่ามากกว่า น, นั้นหรือว่าน้อยกว่า น, นั้นอะไรอย่างนี้เค่ะแต่ว่าการปฏิบัติจะไม่มากแต่ปีนี้ก็คือว่าอยากเน้นการปฏิบัติให้เยอะก็เลยลดการไปวัดบางทีแบบเกือบสองอาทิตย์เจ้าข่าพเจอาจารย์จะไปวัดอะไรเงี้ยแในช่วงนี้ว่าฝากพี่แววใส่บาตรพระอาจารย์ได้ก็เลยไม่ใช่กังวลเรื่องไปวัดเท่าไหร่แล้วเจ้าค่ะในในะโอเคตอนนี้ก็ได้คนเพิ่มมาร่วมใส่บาตรหลายคนเลยเจ้าข่าพเจอาจารย์อ่าดีช่วยเงินพานไปสวรรค์กัน ใชะค่ะไม่มีค <Okay. S 1> ําถามแล้วจะขับไปไกลแต่ร<า>ับที่เ<า>จ้าคใช่ที่จ้ค่ะอ้ที่คนมาิกาพวกนี้เหว่ยงเดินทางมามาเลกากลับในมาตรการจะาัองอาจารวันนี้นั่นเพราะผู้สูงในสูงก็จะดูรู้ว่าลูกกำนังลูกเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเพราะว่าตอนนี้นั่นมังเฝ้าอาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะอาจจะต้องอ่อะไรนะที่ ตรวจลำไส้ค่ะอาจารย์ <favorite> ้ก็เลยก็มันมาอยู่เป็นเพื่อนกันาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ออกเดินทางนะคะอาจารย์ก็วันนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรนะเจ้าค่ะโอเคอ่ะโอเยโอเคนะยังไปที่คนยินดีต่อคุณยินดีอยู่ที่แคนซัส USA สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลุกไม่มีคําถามก็เข้ามากราบท่านอนาจารย์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดวีดก็ฝากความคิดถึงแล้วก็กราบบอร์ดสองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณเหมือนเดิมจะ้ะค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่สูงค่ะท่า น, านอาจารย์สาธุคุณสาธ า, ารณจากจีนงาน้นําจะทั่วเมืองย่างนั้ข่าวน้ําเริ่มมาแล้วไม่ใช่ไหมอ่าเยอะค่ะอาจารย์ฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะค่ะแต่แต่ไม่เป็นไร ไม่บ้านเราไม่ท่วมไงบ้านี่ไ ม, นไม่ท่วมเคยเคยตอนท่วมใหญ่ อ, ะะาาอ่ะค่ะว่านจันแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็ทําท่าปีที่แล้วทําท่าแต่ก็ไม่ท่มวมต้องคอยขนของขึ้นที่สูงป่ะลูกไม่ค่อยอ่ะคะ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าฟังฟังเอาคะ่ะถ้าสมมุติว่าไม่อนั้นก็ไม่ไม่ขึ้นค่ะบ้านจาันแต่มันก็ท่วมคะ่ะที่มันต่ํา Mm hmm. ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ mm hmm. ที่สงสัยอ่ะค่ะพระอาจารย์เออที่อ่านนะคะที่พระเออที่มีคําถามในในหนังสืออะคะ่ะเราบอกจิตดวงที่ไม่ตายกับจิตในสติปัฏฐานส mm ี่อะค่ะที่พระอาจารย์บอกไปว่าจิตในสติปัฏฐานสี่อะคะ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์เหมือน mm hmm. มันทีนี้ เราก็สักแต่ว่ารู้ไปตามที่เหมือนที่พอเวลาเราบางทีมันขึ้นมาเราก็รู้ไปแค่นั้นใช่ไหมคะอาจารย์ได้คือจิตเนี่ยมันตัวจิตมันไม่เปลี่ยนนะแต่ตัวอารมณ์นี่อยู่ในจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์เสียนี่เขาเรียกจิตเดียดเด๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็วุ่นวายใจอันนี้คื อ, อ คจิตเป็นอย่างนี้แต่ตัวจิตตัวรู้เนี่ยมันไม่มไม่เปลี่ยนอ่มันก็รู้ของมันมันไม่ไมตายมันไม่ไมีวันตายอืมทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เอ่อสำหรับจิตที่แบบพระอรหันต์อะไรท่านเนี่ยคือถ้ารู้คือสักแต่ว่ารู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นมรรคไปหมดเลยใช่ไหมคะว่ะอาจารย์ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะ<ต>เราไม<า><า>่รู้ทันท่านก็เฉยๆไปมันเวทนา มันความรู้สึกอ่ะเจ็บสุขทุกไม่สุขไม่ทุกทั้งก็เฉยเฉยกับมันไปถ้ารู้ถ้ารู้แล้วว่ามันต้องมาแบบเนี้ยมันสลับกันไปสลับกันไปจินบางจิตบางเวลาก็อาจจะอาจจะเศร้าอาจจะดีใจอาจจะเสียใจอะไรไปตามเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็รู้ทันกับมันไปก็คือเราก็จะต้องแบบรู้อย่างนี้ไปแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเงี้ยจนอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันว่าเขอย่าไปทุกข์กับมัน เอ่าค่ะค่ะพระอาจารย์ปรเอิญอ่านแล้วก็อพอเข้าใจแต่ว่าอยากได้คําตอบจากพระอาจารย์อ่าก็มือนกับเวทนาอะเวทน า, นะ ม, ทนามันเวลามันทุกข์ก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายอย่างเนี้ยเวลาเวลาลมเสียก็อย่าไปอยากให้มันหายมันเสียแลเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปสลับมันไปอืมแต่เราก็พยายามบางทีพอเราฝึกไปมากๆอ่ะครับอาจารย์มันก็คือ อารมณ์พวกนี้นมันน้อยลงไปถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันก็มันก็มีส่วนนะเพราะาอารมณ์มันก็เกิดจากบางทีจิตใจเราไปคิดปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ค่อยปรุงแต่งอะมันก็จะเฉยๆอ๋อบางทีมันเหมือนว่าเหมือนที่ว่าเขาบอกว่า เป็นสังขารแล้วก็ส่วนมากมันจะปรุงไปทางที่จะทําให้เราทุกข์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์เนี่บางคนชอบคิดเรื่องเรื่องที่ชอบวิจตกตั้งวลกันเรื่องนั้นเรื่องนีมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลูกอะ <c oughs> เป็นลักษณะเปอนแบบพวกแบบคิดมากๆอย่างนี้นะคะพระอาจารย์แต่ว่า เป็นคนวิตกกังวลมากประมาณนะคะแต่ว่ามัน ม, มันมันไม่ได้อะไรนะคะอาจารย์มไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีแต่ว่าเหมือนว่าเราเป็นคนแบบคิดเยอะมากไปอะค่ะก็หยุดมันนล่าถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีก็หยุดมันให้มันคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางใจรักอะไรก็ไม่เที่ยงนั้นก็ไม่ใช่เราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ พระอาจารย์แล้วก็ลูกและถามอีกอย่างหนึ่งอ่ะอีตอนที่ว่าที่บอกพระอาจารย์นะคะที่ว่าไปช่วยเขาอะคะ่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็โทรมาแล้วเขาก็ยืมเงินอีกลูกก็ให้ไปอีกคือบอกให้แฟนใหไปอีกหมื่นหนึ่งพอหลังแต่ลูกอ่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนที่เคยบอกพระอาจารย์นะคะที่คนเคยยืมเงินลูกเยอะๆอะคะ่ะ แล้วลูกอ่ะก็เหมือนที่บอกพระอาจารย์อนะ่ะลูกเป็นคนแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยชอบไปตามไม่ค่อยชอบอะไรแล้วก็เคสแรกอ่ะลูกบอกว่าเออถ้ารู้สึกว่าถามเขาว่าเขาไหวไหมเขาอะไรไหมคือลูกก็เลยแบบเขาบอกเขาได้เขาอยากจะใช้ลูกก็แบบลูกเข็นมันนานล้วแล้วมันก็แบบลูกก็เลยให้เขาไปเลยแต่เคสเนี้ย ที่ลูกบอกว่าอาจารย์น่ะที่ไปช่วยอะค่ะที่ให้ลถให้อะไรอะค่ะพอเสร็จเขาก็โทรมาอีกลูกก็ให้เขานะคะอาจารย์แล้วลูกก็บอกว่าเออลูกอะเคยเจอเคสอย่างเงี้ยที่ลูกให้ยืมแล้วลูกก็รู้สึกว่ามันลูกอะเป็นคนวิตกกังวลคือลูกอะเป็นคนที่แบบไม่ให้ไม่ว่าแต่ลูกเป็นคนที่ว่าพูดอะไรต้องไปสัดจาด ถ้าแบบให้มาบอกถ้าไม่มีอ่ก็บอกได้อะไรอย่างเงี้ยลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่สี่เหียมทีเนี้ยพอเสร็จกับพระอาจารย์เขาก็อีกเดือนหนึ่งเขาก็มาอีกเขาก็จะมายืมอีกแฟนก็เลยบอกลูกว่าวันทีมันก็ต้องให้ไปตามเวนตํากรรมมาค่ะอาจารย์เพราะลูกก็ไม่ชอบประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมันต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรมาแล้วก็เหมือนว่าแบบเออเครียดอยากร้องไห้อยากมาหานี คือลูกอ่ะเป็นคนสงบเนี่ยลูกอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ลูกมันเหมือนแฟนบอกเธอฉักสึกเข้าบ้านป้านเนียนลูกก็เลยอาจารย์แล้วเราไม่ไม่มีแบบเมตตากับเขาอย่าเงี้ยต่อจากเนี้ยคือไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์มันก็พูดอยา่างมันก็ต้องดูว่าเขาเดือดร้อนจริงๆหรือไม่หรือว่าเขาเห็นว่าเราเป็นเหมือนกับ ปูเงินปูทองเวลาเขาขาดเงินขาดทองเ้าก็มาหาเราอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เคยรู้จักเลยนะที่อาจารย์นะคะแล้วลูกอะ่ะให้ลดเครื่องไปลูกให้ไปไปอีกประมาณสองมื่นแล้วก็มายืมลูกอื่นนึงแล้วก็มาปยืมอีกแฝดแต่ลูกก็ไม่ไม่ได้อันนั้นนะคือก็มกมีตามันก็แล้วแต่เราจะให้มันมีขอบเขตหรือไม่มีขอบเขต ถ้า ม, มีไม่มีข่าเท็จก็ให้มันเป็นกว่าลราหมดเนื้อหมดตัวไปโอ๊ยก็เชื่อเอากันน ะ, ะ <c oughs> ถ้าถ้าเรอยากเป็นพระเวสสันดรนี่ก็ต้องให้หมดพระอาจารย์ลูกอะ่ะเยอะตั้งแต่ที่ลูกมาเจอวระอาจารยอ่ะลูกอันนึงก็ไม่เอาแล้วลูกก็ให้เยอะมากพระอาจารย์เอยจะใช้เหตุผลก็ได้ว่าให้ก็พอสมควรแล้วพอแล้ว คือคนเรามีความโลภได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอทีนี้พี่พี่ที่เขารู้จักลุกอะ่ะเขาก็เลยบอกว่ามึงมึงเก็บไว้มั่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมึงต้องแก่นะมึงไม่ใช่แบบไปอย่างงี้เพราะลูกลูกไปเหลือดเยอะมากค่ะนั่นแ<ม>ก็ต้องรู้จักประมาณเวลาจะช่วยเหลือใคร คือช่วยช่วยในายามเขาเดือดร้อนเช่นเขาเป็นอะไรไม่สบายช่ว ย, าหายให้เขาหายให้เขารักษาตัวให้หายแล้วไปทํางานทําการได้ช่วยตัวเขาเองได้ก็ช่วยไปแต่จะช่วยแบบว่าเขาก็อยู่ดีกินดีมีแต่ว่าเขาเงินไม่พอใช้ใช้มากกว่าที่เขาหาได้เขาก็มาขอเรานี้มันก็ไม่ควรให้เขาหรอกเนะพราะเพราะเพราะว่าแฟนลูก หรือว่าพี่ที่สนิทกันเขาจะลูกรู้ว่าลูกเป็นคนใจอ่อนมากค่ะแซงลูกอพอเขามาเขาไม่เรียกเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวลูก อ, อันที่ลูกก็เลยแบบเหมือนอย่างที่เคยถามพระอาจารย์นะคะลก อ, อยากฝึกอุเบกขาเยอะๆค่ะบางทีใจอ่อนเกินไปคื อ, อ, อถ้าให้ได้ก็ดีเนยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าให้ไปแล้วมัน ทำให้เขาต้องมาเกาะเรามันเพิ่งเราตลอดเวลามันก็ไม่ควรจะให้แต่ก็ไม่เพิ่งตันเองเลยบอกว่าเหมือนตอนเนี้ยเขากลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบอันนี้เราเราเป็นแบบไอทีเอมของเขาไปแล้วเอเขาต้องการจะกดเขาก็มาหาเรานั่นแหละ <laughs> แ, ลแล้วแฟนเน่ยเขาก็เลยเอากล้องนะคะ่ะที่ที่ที่ที่เขาพอเข้ามานะคะเขามาเจอแฟน แฟงเขาก็เลยเปิดเสียงอันนั้นนะให้ลูกฟังเหมือนกันเดะกับที่ลูกไปที่ที่เขาเลยค่ะเพราะมาแบบเดียวกันเลยลูกก็เลยเอย๊ลูกก็เลยจะมาถามพระอาจารย์ก็เลยแบบลูกมีปัญหาตรงเนี้ยนะค่ะอาจารย์เอาลูกก็เลยแบบอยากถามพระอาจารย์ระหว่างไอ้แบบเมตตากับอันเนี้ยมันมันมันมันแบบ บาลานตรงการอย่างไงอมันก็มีเมตตาแบบธรรมดาค่ะเมตตาแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าแบบพระพโพธิสัตว์ก็ให้จนกว่าไม่มีจะให้นะลูก แ, แบบธรรมดา ก, ก็ใช้เหตุใช้ผลดูพอประมาณพอสมควรอือเพราะว่าปกติอ่ะลูกก็จะแบบทาคือลูกก็รีบไปอย่างที่พระอาจารย์สอนอยู่แล้วอะคะ่ะ คือแต่ละเดือนอ่ะลูกจะตัดทำบุญอะไรของลูกอยู่แล้วเมัอ น, นเลยแบบอโอเคพระอาจารย์พอพเก็แล้วค่ะมไม่ไม่ไมอ น, นันมากใช่ไหมคะเอาเอาคือเหมือนเดตตาแต่ว่าไม่ให้เราอ่ะรู้สึกทุกข์ใช่ไหมคะับอาจารย์ใช่ไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์เราเราก็อย่างนึงก็ไม่ให้เขาเสียนิสัยด้วยต้องดูด้วยว่าทำให้เขาเสียนิสัยหรือเปล่า ค่ะค่ะอ า, าจารย์ค่ะเพราะว่าลูกเจออย่างเนี้สองเคสแล้วค่ะลูกก็เลยแบบว่าลูกไม่อยากทําบุญอย่างงี้แล้วลูกอยากแบบโอนไปดีกว่าแล้วเราไม่ต้องเจอะเจอคนนะคะมีตึกอย่างนั้นมากกว่าลูกไม่ค่อยแฮปปี้แน่แลนเลยเวลาทําอะไรก็นั่งคิดถึงผลที่จะตามมาเวลาช่วยใครเราบางทีมั น, าามนก็ไปส่งเสริมให้เข้ามาเกาะเรา แเราก็ต้องช่วยแบบนี้เลยนะช่วยบอกช่วยได้แค่ในครั้งเดียวนะบอกเขาไปเลยไปลุกหน้าก่อนเลยลูกกะบอกแล้วนะพระจักอ่อาจะบอกแล้วก็จบงาเข้ามาก็บอกช่วยไม่ได้นะบอกช่วยได้แค่ครั้งเดียวบอกไปแต่ลูกนั่นแหละลูกเป็นคนใจอ่อนมากไง อ, อ่อนก็ช่วยไม่ได้แล้วก็อ่อนไปโอเคพระจกักะจัก เดี๋ยวจะลองไปปรับเรื่อยๆครับอาจารย์อืก็อบอกช่วยได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะก็อบอกไปพอครั้งต่อมาบอกช่วยไม่ได้แล้วหมดนะ้วหมดกําลังแล้วต่จะจเหมือนที่ลุงข่าวอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาสาธุอาจา ร, รยไปที่อาจารย์สายทิพย์อันนี้อยู่ขอนแก่นนะอาจารย์ กาบนมัสการพระอาจารย์เต๊ะค่ะวันนี้อยู่สารคามค่ะต้องดูแลพยากรถึงหนึ่งทุ่มค่ะพระอาจารย์เลยให้กลับมีมีที่จะถามพระอาจารย์เรื่องของทางสายกลางนิดนึงค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนหนูรู้สึกว่าทางสายกลางมันมันเหมือนเส้นเล็กๆที่แบบเอ้มันยังไงมันถึงจะอยู่ทางสายกลางแล้วทีนี้มีวันหนึ่งจิตมันมันมันมันเหมือนมันบอกว่า มันมันเหมือนเห็นเส้นทางที่มันขยายใหญ่ขึ้นค่ะอาจารย์ว่า น, นี่ไงทางสายกลางเหมือนมันบอกเองค่ะก็คือพวกสินสมาธิปัญญาที่เด็บที่อย่างถูกต้องที่เราเดินไปนี่คือทางสายกลางจุดต้องไม่คาจานทางดับทุกข์ก็คือทางสินสมาธิปัญญาค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไปดับทุกข์ด้วยการไปเที่ยวอย่างนี้ไม่ใช่รดับทุกข์ด้วยการทารมานตอนร่างกายนั่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์ ที่ <Hey. S 1> ดับทุกทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันต้องใช้สีสมาธิปัญญาแต่เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายใจจะไม่ทุกขแต่ถ้าไปดับทุกข์ด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเวลาเห็นคนตายไม่สบายใจก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพื่อเพื่อให้หายทุกข์มันไม่หายหรอกหายชั่วคราวแล้วพอกลับมามันเจอคนตายใหม่ก็ทุกข์อีกเนีอย่าง ก็เลยแบบเหมือนแบบสมัยก่อนมันแบบบ้าถ้ามันไม่หย่อนมันก็ตึงอะไรเงี้ยค่ะพระบอาจารย์อ๋อนั่นมันอันั้นมันก็ระเรื่องกันหย่อนตึงกันมาถึงอยู่ที่กําลังของเราว่าเรามีมากมีน้อยอถ้ามีน้อยก็ต้องทําตามกําลังของเราไปทําน้อยไปก่อนถ้ามีมากก็ทํำมากอันนี้มันอันนี้ทางสายกลางอย่างอย่างคือความความรู้จักประมาณรู้จักความพอดี ถ้าทํามากกว่าที่เราทําได้มันก็ทําให้เราเครียดไปเบาๆอหมือนยกเหมือนยกของอ่ะยกยกของที่เรามันหนักเกินที่เราจะยกได้มันก็ทําให้เราอ่าพังได้ยากังร่างกาย <คะ S 2> แล้วก็อาจจะลำบาก <คะ S 2> ถ้าถ้ายกเบามันก็ได้ของน้อยมันควรจะยกได้มากกว่านี้ก็ไม่ยกก็เสียโอกไป <laughs> อ่าจริงเหมือนถ้าคนจริงๆปฏิบัติได้แล้วทําน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมได้น้อยอื เหมือนกับเอาไปเบาๆอแต่ถ้าแถ้าอยากจะทํามากแต่ทําไม่ได้มันก็ทําให้เครียดก็จะทุกข์อีกอ่าทุกข์อีกก็จะเป็นกิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ตามกาลังก็เป็นกิเลสเรปฏิบัติทำเพื่อดับความทุกข์ไม่ใช่มาสร้างความทุกข์อืมค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนเห็นเส้นทางใหญ่ขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ก่อนรู้สึกมาทางติดๆว่าเดินยังไงเนาะมันถึงจะเป็นทางใสากลางอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่ทางสายทางถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้ามันก็ต้องมีทุกข์นิดนิดเหมือนกินกินกินอาหารก็ต้องใส่พริกใส่พริกนิดหน่อยให้มันมีรสในท่าว่าถ้ามันไม่ทุกข์มันก็จะไม่ไม่ไม่คืบหน้ถ้าปฏิบัติแบบสบายสบายมันก็จะอยู่กับที่ถ้าอยากจะก้าวหน้าเรากต้องให้มันเพิ่มขึ้นมาเลยให้มันทุกข์นิดหน่อยตามทุกพอที่จะรับได้อย่างเนี้ย อตึงขึมานิดหน่อยไม่จบใช่เช่นเคยนั่งชั่วโมงนี้เราปรับขึ้นเป็นชั่วโมงยี่สิบนาทีเพิ่มทั้งยี่สิบนาทีช่วงยี่สิบนาทีนี่มันจะทุกข์เพราะไม่อยากจะนั่งแล้วเราเคยนั่งไปคเนี่ยมันถึงมันถึงจมันถึงจะดันไปได้ถ้าแบบสบายสบายพอครบชั่วโมงก็เลิกนี่มันก็มันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละเรจะอยู่เท่าเดิมอหนูน่าจะอยู่เท่าเดิมไม่อยากจะไปมากกว่านี้ก็ต้อง ต้องยอบทุกข์ขาขามากค่ะอืมค่ะค่ะพระอาจารย์อีกวันหนึ่งมีฝันถึงคุณแม่ด้วยค่ะพระอาจารย์ฝันสองวันต่อ ก, กันว<ม>ันที่สองคุณแม่มาถามธรร ม, มะคุณแม่ถามว่าอากาศาธาตุคืออะไรก็เลยอธิบายตามที่พระอาจารย์สอนเลยค่ะในฝันนี้อธิบายเป็นคงอันแควก็ในฝั น, ะนจะคุณแม่อาจจะมาจริงก็ได้ทำมาถามมาคุยกันได้มามาคุยธรรมะเลยค่ะพระอาจารย์นี่ มาสอนธรรมะไปเลยไ ด, ได้สอนแต่ว่าเป็นเป็นเป็นน่าจะฟังธรรมของพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วน่า จ, จะจําได้แล้วมาสอนคุณแม่ต่อก็ดีอืมแต่ว่าวันไหนถ้าเป็นเป็นคุณแม่มาถ้าฝันจะเป็นเหนื่อยเหนื่อยนะคะพระอาจารย์วันนั้นร่างกายจะเหนื่อยมากๆแล้วจะหลับแล้วจะฝันนะคะอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ ไม่มีสาระเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์อ่าคุณพ่อนอนที่บ้านแล้วก็หมาข้างบ้านมันเห่าเสียงดังนานมากหนูก็เลยคิดในใจว่าใครก็ได้มาช่วยให้ไหม่ให้เขาหมาเห่าเนี้หยุดทีแล้วมันก็หยุดเงียบไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีอ า, าจราจะมีเทพคอยรับคําสั่งของเราไปก็ได้อืมค่ะเงียบทันทีแล้วก็ถึงเช้าไม่ไม่เห่าเลยคะ่ะจากที่เห่ายาวมาแล้วก็แบบ ไม่พ <m> ่อนาจะมาอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อนอนไม่หลับคิดในใจใครก็ได้ช่วยทาให้แอาจจะมีเทพมารักษาอารักขาเราพอได้ยินคำสั่งแล้วมันจัดการให้ก็ได้สาธุค่ะก็ลองลองดูหลายๆที่หลายๆเรื่องดูเส้นจะเป็นไปตามทุกครั้งที่เราขอป่ะ ส่วนแดจะได้ที่จอดรถค่ะพระอาจารย์ขอที่จอดรถให้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็จะกได้ก็จะได้มือนจะชวไม่ลองไม่ลองขอโชว์หวยทั้งวันดูด้วยเนี่ยิดดงด้านนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ทางด้านนี้นะถ้าขอแบบนี้ก็จะโดนโดนโดนกินอ๋อโลกใช่ไหมไม่จําเป็นนะไม่มีดวงด้านด้านหวยค่ะด้านหวยนะต้องใช้เหงื่อแลกก ค่ะพระอาจารย์ก็หมอแค่นี้ค่ ะ, ะอาจารย์ <Okay. S 2> เล้วที่เหลือ ก, ก็พยายามปฏิบัติวันนี้มีอาจารย์เข้ามาที่คณะค่ะพระอาจารย์อยากจะให้บุคลาก ร, ก, ร ก, กับอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กันอะไรเนี้ยค่ะให้แบบมีความสามาัคคีเขาเลยบอกว่าจะจัดกิจกรรมอะไรก็มีมีกินเมียนู่นนี่นั่นแล้วเขก็หันมาทางหนูบอกว่า ให้อาจารย์สายทิพย์พาไปปฏิบัติธรรมหือก็อ่าได้ได้ก็เลยแบบเอ้าเห็นเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบเ ข, ข้าวัดเข้าว่าคือหนูจะจะจะเหมือนทั่วทั่วไปไม่ได้แสดงออกมากนะคะภระาจารย์ก็เล่นก็ได้อะไรก็ได้อะไรไยะะ่าเงี้ยค่ะแต่เขาเลยบอกว่ า, วาอ่าอาจจะอยากไปปฏิบัติธรรมให้อาจารย์สายทิพย์เป็นหัวหน้าทีมก็าจจะเห็อาจารย์สายอาจจะเห็นเราเข้ามาในห้องสูมนี้ก็ได้มันก็ ไม่ไม่แน่ใจค่ะส่วนมากคณะไม่ไม่ค่อยค่ะาพระอาจารย์ก็ก็เลยบอกว่ายินดีค่ะแบบนี้ชอบพาไปได้ค่ะพระอาจารย์ดีทำในสิ่งที่เราถนัดนะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่ค่ะปลดนิดหน่อ ย, อยาสาธุค่ะเดี๋ยวจะพยายามให้ให้ให้ดีขึ้นค่ะาาสาธุจารย์ไปที่แม่น้งลิ้นตาแมน้ำลิ้น การสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าต้องปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องอ่อทุกทุกวันก็ ค, คือหนูสังเกตใช่ไหมคะพระอาจารย์เวลานอนนี่คือจะนอนได้หลับปุ๊บเร็วมากเลยเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าตอนหลับไปอาจจะมีฝันแต่ว่าตื่นขึ้นมาจอมความฝันใจไม่ได้ก็เลย พูดว่าไม่ฝันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือตื่นปุ๊บตาสว่างมากนูนอนประมาณเอ่ทุ่มหลับปุ๊บตื่นมาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตื่นชนใหญ่จะตื่ น, นทีสองตีสามค่ะพระอาจารย์หนูก็มานั่งอ่านธรร ม, มะเพจพระอาจารย์เจ้าค่ะทุกวันก็เลยได้ตื่นมาอ่านธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ดแล้วก็เจ้าค่ะแล้วก็ อก็หนูก็บอกตัวเองว่างั้นดับแบบแบบนอนสมาธิต่อแล้วกันนอนไปนอนนะคะไม่ได้ยังสมาธินอนต่ออย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เซบร่างกายเปละกันอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เพราะว่าป<ม>ัจจบุบันปัจจุบันนี้ก็คือด้วยที่ว่าอาวัยวะมีปัญหาใช่ไหมเจ้าคะก<ม>็ไม่ได้มายึดติดร่างกายหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสมองมก็ไม่ได้มาปวดมาเจ็บอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์รย<ม>ก็เลยไม่ได้ค่อยสนใจร่างกายตัวเองมากพาระเจ้าค่ะ เพราะว่าเสียก็เข้าสมาธิเลยมันจะไม่มาปวดไม่มาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็คือใช้เหมือนถ้ารู้สึกว่าเริ่มเหมือนไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะมันพอไม่มีแรงไปนั่งสมาธิไม่ใช่นอนหมอนนั่นเจ้าค่ะต้องนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งที่ปฏิบัติประจำทุกทุกวันนะคะพระอาจารย์ก็เลยใช้การทำสมาธิส่วนใหญ่ค่ะพระอาจารย์ในการมาเพิ่มเหมือนชัดแบบ ให้กับร่างกายตัวเองเหมือนที่บอกว่าพักจิตนะคะพระอาจารย์เหมือนเลยอย่างเงี้ยค่ะดีดีต้องต้องพักต้องพักสลับกับปัญญานะยเวลาไม่ได้พักก็พิจารณาทางปัญญาบั่งก็ได้เจะคะพระอาจารย์พอเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปทุกข์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองเห็นว่าโอ้เขาเป็นแบบนั้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ พยายาดูตัวเองอย่างนี้ค่ะว่าเรามีอารมณ์โกรธไหมมีโลภไหมมีความอยากอะไรไหมอยอางนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์จะก่อนจะ <don> ก่อนเจา้าค่ะพระอาจารย์จะก่อนหนูอาจจะติดรูปลดตินเสียงอะไรเงนี้ค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ mm hmm. เพิ่มไปจากปัจจุบันเสียงเนี่ยมาฟังธรรมอย่างเดียวเลยครับไ ม, ไม่มาดนตรีอย่างเหมือนงานกรเสียงใช่ไหมเจา้าค่ะพระอาจา เขามีการแสดงแต่ก่อนหนูก็ต้องไปเต้นหน้าเวทีหรือมีอารมณ์ขากระดิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันการไปนั่งหาวเจ้าพระอาจารย์พอฟังพอถึงเวลาพระอาจารย์พูดเอบ่ายสองหนูต้องรีบไปหาหูฟังมาใส่ฟังทางมาคะพระอาจารย์ถึงในร่วมกับงานเกษียณการเป็นเรื่องนอนอย่างเงี้ยค่ะหนูเลอะอูมันเป็นคนอารมณ์ที่แบบไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่ความสนใจเราเปลี่ยนไปแล้วเราสนใจธรรมะมากกว่าอย่างอื่น รถาห่ทำชนะรถทั้งปวงาารถแห่งทำชนะรถทั้งปวงเจ้าค่ะพาจานอ๋อหนูก็เลยว่ามันเป็นสุขแบบไม่ได้สุขไปติดอารมณ์รูปลดกลิ่นเสียงอะไรเลยเจ้าค่ะพาจารย์อืมก็จะก่อนจะก่อนหนูชอบใช้น้ําหอมใช้โคโลนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจา้าคะปัจจุบันหนูไม่ได้ใช้อะไรเลยและเพื่อก็ไม่ได้หงด้วยค่ะพายจานในการปัจจุบันเนี่จ้าเนี่จ้า โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีแล้วค่ะไปที่คุญยมหญิงเวลายพรหายหน้าไปนานอ้องกับพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีเพิ่งออกมาจากปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์เยวไปปฏิบัติที่เอศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเจ้าค่ะคอร์สพุทธารุสติเจ้าค่ะบางกนก็เลย อ่า ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะของคุณกิงการนะคะพอดีคุณกิงการเขาเหมือนกับบริจาคที่ดินนะคะประมาณสองประมาณเกือบแปดร้อยไร่แต่เขาทําเฉพาะตรงที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลาชาติอะค่ะประมาณสองสองร้อยไร่ค่ะแล้วก็พระนานาชาติแล้วก็มีพระอาจารย์ใหญ่เป็นพระมาจากพา ม, าะะม่าเจ้าค่ะค่ะแล้วก็สอนเกี่ยวกับพุทธานุสติก็ทําให้โยมหญิงและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้นึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่า เอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์สมทบอะค่ะเป็นเป็นเป็นอาจารย์ผู้สอนเจ้าค่ะเหมือนกับท่านจะสอนให้เราจเจริญพุทธคุณนะคะเหมือนกับว่าเวลาให้เราท่องอิติปิโสอะค่ะเราก็ต้องเจาะลึกลงไปว่าอิติปิสงพาาระคัมภีร์อรหันต์อรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสแล้วผู้ผู้ไกลจากกิเลสแล้วลึกถึงคุณของพระผู้เจ้าที่ว่าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วก็ไกลจากโชค โชควาสนาแบบทุกคําพูดท่านจะแปลให้หมดเลยว่าเวลาเรากราบแล้วแล้วเวลาเราท่องอยู่ในใจอะคะ่ะเวลาเราท่องไปแล้วต้องให้เระลึกไปถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็ะคะ่ะแล้วท่านก็เล่าถึงประวัติคุณของพระเจ้าว่าสุดยอดอะคะ่ะพระอาจารย์ดีมากมากเลยสิค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมหนิงก็ตั้งใจว่าทุกทุกต่อจากนี้นะคะ่ะโยมหนิงจะไม่ทำบาปทั้งในที่รับแล้วก็หนที่แจ้งเคะ่ะ แล้วก็จะทำบุญศนใหม่ที่ที่ดีให้เกิดขึ้นตลอดจ้ะค่ะพระอาจารย์อ่าดีมากพระอาจารย์พระอาจารย์โยมหญิงถามนิดนึงค่ะเวลาที่เราอยู่กับกายอยู่กับกายกระทำเวลาเราเอาเราเอาสติที่ไปเจาะลึกจริงๆกับจับอยูาา่กายกระทําจริงๆนะะพระอาจารย์แล้วบางทีโยมหญิงรู้สึกว่าเราเราเราเรารับรู้ได้ทีลายอย่างเราจะไม่รับรู้เหมือนกับพร้อมกันแต่ว่ามันจะไวมากพระอาจารย์มันจะรู้แค่ รับดูแค่จุดนั้นและอันอื่นก็จะดับไปแต่มันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวค่ะอาจารถ้าเราถ้าเราแบบดูการกระทาแล้วเร า, เร า, เ, ราเราลึกเจาะเข้าไปลึกแบบนี้มากๆมันจะเครียดไหมเจ้าค่ะมันจะเหนื่อยไหมคะเพราะแล้วแต่เราถ้าสักกิเลสมากมันก็อาจจะเหนื่อยถ้ากิเลน้อยมันต่อต้านน้อยมันก็ไม่เหนื่อยใช่โยมเพิ่งเป็นวันนี้ค่ะเพราะอาจารย์ที่ที่เราแบบเราเราอย่างเช่นแบบเราจะจับหรือเราจะทําอะไรแล้วรักษาสติเราอยู่ อยู่กับเขาจริงๆไะค่ะพระอาจารย์แบบแบบแนบแน่นนะคะพระอาจารย์มันจะรู้สึกว่าเหมือนกันเราเราเราับรู้อันเนี้ยได้ได้แค่ยอย่างเดียวแล้วอื่นเราก็จะปุ๊บแต่มันจะวัยเป็นแค่เป็นแค่เป็นบางจังหวะพระอาจารย์ก็ดีก็ดีอันนี้คือเสริมจิต ใ, ให้ให้มันเป็นหนึ่งไงให้มันเป็นหนึ่งม<อ>ีคาตาลม อ, อ๋อค่ะยมเพิ่งได้มอยู่กเรื่องเดียวให้มันรู้ อ, นะอยู่กับเรื่องเดียวใช่แล้วมันเรื่องเดียวจริงๆพระอาจารย์มันก็นปุ๊บแป๊เดียวเจ้ค่ะอืม เกิดไ <Okay. S 1> ด้ทันทีแต่ว่าถ้นั่งสมาธิจริงมันจะได้รวมได้ง่ายได้เร็วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันก็จะจะจะใช่ว่าจะได้เกิดบ่อยๆไม่แค่แบบช่วงจังหวะที่เรามีสติแนบนั่นจริงๆอสติเรามันยังขึ้นขึ้นงลงๆอยู่เผลอๆ่อพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะต่อเนื่องมากขึ้นไปเค่ะอาจารย์แล้วก็ ออลูกสาวอะค่ะพระอาจารย์เขาทํางานที่ที่ที่คอนเกรตเหมือนกับว่าเขาได้รับตําแหน่งใหม่นะคะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกับว่าเขา เ, ออเครียดจากการงานแล้วเขาร้องให้พระอาจารย์บอกเหมือนกับว่าเขาเครียดมากแล้วเขาเหมือนขอลาออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าแต่ตอนหลังโยมก็คุยกับเขาจนเขาโอเคแล้วเหมือนกับเขาก็ขอให้โยมอย่างเงี้ค่ะ พาไปปฏิบัติธรรมเหมือนโยมก็เพิ่งพาเขาเข้าเข้าขอเจริญพุทธานุสตินี่ะคะแต่ว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีแบบพูดกับเขาหรือว่าถ้าเขาอยากออกก็ให้เขาออกะคะถ้าก็คือเขาคุมลาวเขมรพม่าเวียดนามซึ่งเขาทำอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์แบบเขาก็ต้องใช้แบบแปรแปรเขาทำาโดยกับการตลาดอะค่ะแปลจากพม่าเป็นอังกฤษอังกฤษแล้วก็เป็นไทยแล้ว ชั่วโมงนี้เป็นคุยกับคนคอมเนคนพมาคนเราคนแนะนําแล้วซึ่งมันเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วเขาเบอกวันวันที่ดูแต่คอมพิวเตอร์แล้วคือเขาแทบจะไม่ได้ไปเจอใครตื่นมาก็ทําแต่งานตรงตรงคอมซึ่งเขาไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเลยเงนี้ยค่ะอย่างนี้เราเราต้องบอกเขาแต่โยมาบอกเขาว่าถ้าเราสามารถผ่านจุดตรงนี้ได้เรามีสติอยู่กับตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เราเราถือว่ามันก็จะเป็นทําให้เราแบบมีความภูมิใจในตัวเองว่าเราผ่านอุปสรรคได้โดยที่เรา เราไม่หนี อ, ออกมาซึ่งอะไรที่เป็นปัญหามาเราต้องเผชิญหน้าแล้วก็แก้แก้ไขกับมันให้ให้ได้ถึงที่สุดเนี่ยคะพระอาจารย์จต่มันจะเครียดกับลูกไหมคะเก็อย่าไปบางคับเขาว่าแล้วแต่เขาพป็เราแนะนําได้แต่เขาจะทําตามหรือไม่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันได้คะ่ะพระอาจารย์ไว้เดี๋ยวโยโมพาเขาไปกาาล่าวพระอาจารย์เถิดพระอาจารย์ให้ข้ขอข้อธรรมเขาดีๆอคะค่ะให้เขาแบบนึกแบบแบบแบบแบบแบบเออคิดได้เนี้ยค่ะ แต่เขาเขาก็โอเคนะคะเพราะว่าตอนแรกอะโยมก็สังเกตเอ๊ะทำไมช่วงหลังเขาเหมือนกับว่าเขาไปไปเที่ยวกับเพื่อนอะแบบหนักมากเลยพระอาจารย์แบบแบบไปชนไปอะไกับเพื่อนอะเพราะปกติลูกลูกลูกจะไม่ค่อยแบบขนาดนี้แล้วก็เลยเอ๊ะทำไมเขาไปก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเขาเครียดกับงานพอเขาเครียดกับงานเนี่ยเขาก็เลยมาระบายออกทางแบบเที่ยวแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคุยกับเขาบอกว่าการที่เรา เครียดงานแล้วเรามาเที่ยวแบบเนี้เราทำให้ล่างเราลิ่งเหนื่อยแล้วพอเรากลับไปกับกลับไปบ้านปุ๊บเราก็เครียดเราเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมพอรู้สึกที่เราเบื่อเราทุกก็กลับมาอีกหนึ่งก็บอกเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวเนี่ยคือมันเป็นสุขอม ม, ขอ ม, มันเป็นสุขชั่วข่าวเขาก็คิดได้พระอาจารย์แล้วเขาก็เหมือนกับขอขอให้โยมมาพาพ า, พาเขาไปเข้าปฏิบัติธรรมจ้ะค่ะดีวิธีปฏิบัติธรรมนี่เป็นวิธีแก้ความเครียดที่ที่ที่ดีที่สุดไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยค่ะ ได้พระอาจารย์ไว้มีโอกาสถ้าเขาอืมมีวันหยุดยมจะพาเขาไปกราบอาจารย์เจ้าค่ะอ่าให้เขาเข้ามาตอนนี้ก็ได้เนี่ยมันีย่ในเขาไม่อยู่ค่ะเขาอยู่คอนโดเจ้าค่ะเขากลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็าันให้เขาเข้ามาเดีช่วยน้องเข้ามาได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรออ๋อแต่เขากลับมาเสาร์อาทิตย์วันวันวันพุธเขาอยู่คอนโดพระอาจารย์เดี๋ยวราหาโอกาสเจ้าค่ะถ้าวันพุธก็บอยให้เรามาเข้าสูมเลยง่ายค่ะ มากกว่าที่จะต้องเดินทางมาที่วันเด็กบางทีพูดยากพระาอาจารย์ค่ะต้องรอเขามาใกล้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกกัแล้วกันได้ค่ะเราคิดว่าเข้ามาสู่นี่มันจะดวกที่สุดได้จริงค่ะพระอาจารย์จริงค่ะแล้วก็ทุกวันโยมก็จะเห็นหน้าพระอาจารย์ตลอดเพราะว่าลโยมจะมีรูปหน้าพระอาจารย์ติดอยู่ที่รถแล้วค่ะโยมก็จะเข้ารถโยมก็ บางหน้าพระอาจารย์แล้วก็พอถ้ามาเราที่วัดนึงยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาที่จะพูดได้ยาวแบบที่นี่ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าเกิดเขามาตรงกับวันพูดโยมจะให้เขาเข้ามาเจา้าค่ะอืค่ะกับพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วโยมอาจจะพาเขาไปใส่บัตรรอเขาหยุดก่อนเจา้าค่ะโอเคพระอาจารย์ค่ะวันฤกษ์ก็ธรรมอเหมือนกันวันฤ ค ร, รรครับหลวงพอ่อตอนนี้ไม่ใช่บริษัททอมอแล้วเป็นบริษัทเกียวโตรครับหลวงพ่ออ่าไปอยู่เกียวโตนะไปทำอะไรนะเราเรียนครับหลวงพ่อเรียนญี่ปุ่นนะเรียนภาษานะใช่ครับทําไมลนะก็เหมนที่บ้านเขาก็าแบบให้อยากทําอะไรสักอย่างก็เลยแบบมาอยู่นี่แล้วกันเผื่ออยู่คนเดียวแล้วมันฝึกกันอยู่คนเดียวเปิดพูดภาษาอะไรประมาณนี้ครับหลวงพอ่อเรียนภาษาอย่างเดียวนะก็ อ, อย่างอื่นก็ ักที่หลังครับหลวงพ่ อ, อมก็แต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็แข่งครั้งล่าสุดที่เข้ามาในซูมหลวงพ่อที่ผมกังวลใจเรื่องอะไรนะคิดแล้วมันทุกข์หลวงพ่อเขาเลยให้คาแนะ น, นำนสั้นๆมน า, า, าเพราว่าพอเพาะเอาแต่คิดเรื่องกิเลสไยให้มาคิดเรื่องปัญญาถึงจะได้ไม่ทุกข์เออเป็นคํำที่เอยใช่เพราะเราคิดเรื่องพิจนารณ า, นา ทางด้านปัญญาเนาะไปก็เลยมาคิดเออพอคิดปั๊บเออมันก็เหมือนจะยอมรับความจริงได้มากขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเออคิดอย่างนี้แล้วมันก็ใจมันก็มันดีกว่าคิดเรื่องกิเลสก็เออเพราะก่อนหน้านี้มันคิดน้อยไปก็เป็นคําที่แบบเออเรามองข้ามไปแบบไม่น่าเชื่อว่ามองข้ามไปได้ประมาณนั้นนะครับผมก็ <c oughs> จะคิดจะพยายามคิดด้านปัญญาพ่อแม่จากเราจะจากเราวันไหนหรืออะไรหรือเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> คือคิดเรื่องคิดบ่อยที่สุดครับเรื่องความไม่เชี่ยงแ ท, แท้แน่อนอนเพทุกสิ่งทุกอย่างครับหรือเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันกระทบกระทั่งกับผู้คนก็ะจะพอรู้ปับก็จะพยายามบอกตัวเองทันทีว่าอ๋อนี่เราอารมณ์เสียแล้วนะอารมณ์เสียเพราะาอะไรก็รจะแบบโอเคอารมณ์เสียเพราะเราคิดเพราะเราจิตใจไม่ดีถ้าจิตใจอารมณ์ดีถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีเราก็จะไม่อารมณ์เสียต่อคนอื่นเออสุดท้ายคนที่ไม่ดีคือจิตเราเองเพราะว่าคนอื่นเขาก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราจิตใจไม่ดีเราก็เป็น แใจไม่ดีเพราะเราปรุงแต่งให้มันไม่ดีเองทั้งที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นถึงแม้เขาจะกระทบกระทั่งอะไรอย่มันก็ไม่มัก็พอตัวเราเองเออมันก็พิจนารณากลับมาที่ตัวเองพยายามชักชั ก, ชกจูงมาเบบนีนเรื่อยๆครับหลวงพ่อดีเป็นความคิดรู้สึกของเราทำให้ไปในทางที่ดีอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีครับก็พิจนารณานมากขึ้นก็ก็ เพิ่งมาที่นี่เพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นสิบวันครับมาจะอยู่น่าจะปีกว่ า, วาครับหลวงพ่อเดี๋ยวก็ก็พระจะธรรมะเขอยู่ที่ใจก็พยายามเขาทานั่งสมาธิเอะไรอย่างเดิมเป็นยัยงไง ร, รู้สึกหนาวรู้สึกอะไรไหมมาเยอะอย่างนี้อากาศตอนนี้เหมือนภาคเหนือเมืองไทยครับกลางวันร้อนกลางคืนเยน็นตอนเช้าเย็นประมาณนั้นนะครับหลวงพอ่อกลางวันร้อนอยู่ไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวหนาวหงาอว<า> เนาเวลาผมอยู่กรุงเทพผ ม, ผมไม่ชอบให้ใครมาเจาะแจะผมอยู่แล้วครับมันนิ่ง <No. S 2> เกิดเลยดีที่มายืนนี่ไม่มีใครมายู่กับเราก็แบบเพิ่งมาอยู่แค่ไม่เดี๋ยวเริ่มเรียนวันอาทิตย์หน้านี่ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรียนจะไปได้ขนาดไหนอธิบายสีจ่จะจ ะ, จะดีขนาดไหนครับกันหาเวลียศิตามือง <c oughs> ก็ ก็จะฝึกการโฟกัสอะไรต่างๆกับเรียกว่าอะรประยุกต์เจริญสติกันอะไรประมาณนี้ในในการใช้ชีวิตประจำวันครับเพราะวกติอยู่บ้านมันมีคนทํากับข้าวให้อยู่นี่ก็หัดทํากินเองอย่างเงี้ยครับหลอืมดีถ้า อ, อยู่คนเดียวช่วยตัวเองได้ก็ดีนะครับพราะอยู่บ้า น, น, นบางทีอิ้งอยู่บ้านบางทีก็ทําได้แต่พ่อแม่ครับเขารักเรามากเกินไปครับอ่าทำให้เราทุกอย่างเลยเราทำให้เราขี้เกียจ ครับรักมากเกินไปเช่นทํากับแบบเราบางอย่างเราไม่ได้ทําพอจะทำปั๊บมันทาช้าพอทําช้าปั๊บเขาก็แบบไม่ได้ละทำช้าทาแทนเลยกลายเป็นไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับมันก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันได้ฝึกอยู่เนี่ยก็พยายามพยายามทําให้สําเร็จนะตามจุดประสงค์ของเราครับขอบคุณครับก็ก็จริงด้วยเราเรื่องพิจารณาธรรมบางทีพิจารณาธรรมแบบพิจารณาเองแล้วน้ำตามก็ไหลเองแบบ แค่นั้นนะครับไม่ได้บรรลุธรรมหรอกครับแค่แบบเออก็จริงเออมันจริงอะไรมันก็แบบน้ำตาไหลเองอย่างนั้นครับโอเคนะอ เ, คเอาเท่านี้ก่อนนะขอบพระคุณครับผมหมอไปที่รักสเสมบคุณปุ้ยรับน้ำสกัรเจ้าค่ะป้าจานันคุณปุ้ย ไ, <ง>ไม่มีคำถามหรอกแต่ว่าก็ปฏิบัติอย่างเข่งขึ้นมา จากการที่ว่าเคยปฏิบัติสองชั่วโมงกว่าเกือบจะสามชั่วโม ง, งนั่งภาวนานะคะก็กลายเป็นสามชั่วโมงกว่าเกือบจะสี่ชั่วโมงบางวันก็สี่ชั่วโมงกว่าอย่างแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับอยู่เฉยๆมันก็มีเรื่องมีปัญหาแก้มีคนมาแกล้งเหมือนคือเขาไม่เชิงว่ามาแกล้งเหมือนกับว่าคือมันอาจจะเป็นดวงของเราด้วยนะคะเราจอดรถอยู่ดีๆอย่างเงี้ย มีคนมาชนรถเราแต่เขาก็ดิงดีนะเขาก็เอาเบอร์โทรส่์โทรศัพท์อะไรติดไว้หน้ารถเราก็ขอบคุณเ้าว่าก็โทรไปก็บอกว่าขอบคุณเธอนะที่เธอยังอุตส่าห์นะมีน้ำใจที่ว่าเออเธอชนรถฉันแล้วแล้วเธอก็ยังอุตส่าห์มาเขียนบอกให้ให้ไปติดต่อเอประกันอะไรอย่างเงี้ยครับ hmm. มันก็มีอะไรเข้ามากระทบนิดนึงแต่ว่าเรามันก็ไม่ได้กระเทือนเราเพียงแต่ว่าเราเคลียร์เสร็จก็เสร็จอะไร อ, ไรอย่างงี้ก็ไปต่อ ก็มีเหมือนกับว่าจะเข้าไปฟังธรรมอยู่ในเพจเพจหนึง่งทีนี้เอผู้เอคารวะผู้ทรงธรรมคนท่านนั้นน่ะเขาก็รู้จักเราดีเขาบอกว่าโ อ, อ้คุณปุ้ยเนี่ยเธอถือศีลเก่งมากเลยขนาดเธออยู่เมืองนอกเธอยังทําได้เลยก็และมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ต่อต้านเราเขาก็บอกว่าจริงเหรอถือได้หรออะไรอย่างงี้เขาบอกว่า คนถือสินเขาไม่ทําอย่างงน้นนะเขาไม่ทําอย่างนี้นะเราเราก็เลยขอออกเลยแบบแบบเราไม่อยากต่ออกอนเนี่ยคือเรารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดถูกใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องไม่ต้องไปคุยกันใช่เพราะว่าเรากลัวว่า อ, อถ้าเราพูดเยอะไปเนี่ยคือใจมันจะกระเพื่มแล้วเดี๋ยวมันจะควรแบบใจมันจะขุนแล้วมันจะกวรเราไปถึงโมโหโธโสอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราอย่าไปคุกกีกัน ใช่ค่ ะ, ะโยมมาละจํำคําของอหลวงปู่มัน่นไว้แม่นมากเลยบอกว่าเป็นมูดคูดอย่าเอาเท้าไปแย่โยมจําไว้แม่นมากเลยแล้วโยมก็จะมากราบขอบ พ, พระคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เพราะว่าเนี่ยโยมได้ปฏิบัติธรรมมาจนถึงวันนี้ยโยมก็ดีใจมากเลยนะถึงโยมจะไม่ได้ถูกวินลัตระยิน สิบล้านยี่สิบล้านนะแต่แบบมันเหมือนกับเราวินลอตเตอรี่เลยพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าใจมันเป็นสุขแล้ะเราแบบว่าเราไม่มีอะไรมานั่งคิดเหมือนเมื่อก่อนเรามีแฟนมีบ้านมีอะไรแต่อะไรนั่นต้องมีห่วงใยมันต้องมีอิจฉาริษยาเดี๋ยวนี้เรามันไม่มีอ่ะและเออมัอนกับความสมเด็จเนี่ยมันจะมาโดยที่เออจัดวางไว้เลยเหมือนกับเราอยู่กับพระพุทธเจ้านี่เราไม่ต้องปวกอดเลยอ่ะค่ะเพราะว่า ลูกโยมก็สอบผ่านไม่มีอะไรที่มาขัดข้องเลยค่ะเหมือนอย่างกับเหมือนปัญหาอย่างเงี้ยอย่างใครมาชนรถเราอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีเมตตาอุตส่าห์มาเอาเอาเบอร์มาให้โยมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังขอบพระคุณพระพุทธเจ้าที่คุ้มครองเรานะคะโยมก็ว่าโยมเดินทางมาถูกแล้วค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยถวายมาถวายบุญกับพระอาจารย์มาขอบพระคุณพระอาจารย์ จะจะสาธุจะขอให้ปฏิบัติต่อไปให้เราไม่รวยเข้าค่ายปลอดภัยมีแต่ความสบความเจริญนะโยมขอน้อมถวายบุญลุกบุญกับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีทัต์ขันแข็งแงรงสมบูรณ์นนะเจ้าคะ่ะสาธุจ้ า, จาไปที่คุณมาลีอุตธ่ากาน ขอกหลวพ่อค่ะไม่ไม่ไม่ไมีมคําถามค่ะก็ปฏิบัติทุกท่พยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้อย่าให้น้อยลงพยายามเพิ่ม <c oughs> ขึ้นไปถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มถ้าเพิ่มไม่ได้ก็รักษาระดับเดิมไว้เสียงใายไปเสียงค่นย <c oughs> ก็ได้ได้ยินไหมคะอ่าได้ยินได้เด็นหนูเขาครับหนูมือมือมืตื่ช่วงนี้มันจะเหมือนแบบเข้าเองโดยที่แบบว่าหนูจะชอบชอบตรงช่วงที่เขามาเองอย่างเงี้ยค่ะหมืนพ่อแล้วมันจะแบบมันรู้สึกว่ามันสงบมัอนอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ่อปฏิบัติแบบเหมือน ถึงเวลาเขามาเนี้ยก็<อ>ามาตามนัดเมืนมาตามนัดใ น, าานเวลาเป็นไปใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วมันคือเราเราไม่ต้องไม่ต้องบังคับไม่ต้องไม่ต้องทำอฉไ<ๆ> น, นั่นงเฉยเฉยมันก็เข้ามาใช่ค่ะเข้าแบบปุ๊บเข้าไปเลยแล้วแล้วก็สงบนานนิ่งหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอออกมามันทําให้เรามีสติที่ที่จะอยู่ อะไรหลายๆลอย่างให้เรายอมรับให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างได้อย่างอย่างวันนี้หนูก็มีมีบททดสอบที่ใหญ่ที่ที่ทํางานนะค่ะหลวงพ่อเขาแสดงอาการที่กระแทกกระทั้นทั้งคําพูดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าใจก็ยังอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อยอมรับได้สงบเองยอมหยุดเย็นค่ะหลวงพ่อ แล้วก็มันทําให้เรามองอีกด้านหนึ่งคือว่าเขาเขากลายเป็นคนที่แบบน่าสงสารในแล้วทีนี้ก็มาย้อนที่ดูตัวเองว่าใจเราเป็นยังไงใจเราทุกข์ใจเราเก็บเอาอะไรมาใส่ไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไม่รู้รู้สึกว่าหนึ่งถต้องการปฏิบัติกันอย่างนี้แหละปล่อยวางทุกอย่างใครจะพูดใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วที่หลวงพ่อเทพมเมื่อวันอาทิตย์หรือวันสาวหนูจําไม่ได้ค่ะสางวันเนี้ยที่มีคนถามเข้ า, าไว้ว่าแล้วเราจะวางใจยังไงถ้าถ้าเราต้องไปอยู่กับคนที่เขคอยว่าคอยอะไรเราอย่างนี้ยค่ะแล้วหลวงพ่อกล่าวว่าก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเก็บออกมาอย่างถ้าเกิดเขาว่าเราเป็นควายแล้วเรามาย้อนดูตัวเองว่าเราเป็นควายหรือเปล่าอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อมัน มันก็คือเป็นเป็นความจริงที่แบบว่าเออทําไมทําไมจริงๆแล้วเราควรจะเห็นความจริงแบบนี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ค่ะหลวงพ่อหนูก็ฟังที่หลวงพ่อสอน mm hmm. ฟังแล้วพอย้อน เ, ออเป็นความจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อไม่มีใครทําให้เราทุกเท่ากับความคิดของเราเองค่ะหลวงพ่อใช่ขอบคุณ hmm. mm hmm. มองมองเห็นว่าเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อถ้าเราช่ย่วยเขาจะได้เพระฉะ้ไงก็มันก็เรื่องเขาก็ฟังว่ามันเสียงฝนตกฟ้าร้องไปก็นเท่านั้นเองห้ามก็ไม่ได้ค่ะก็ใช้ชีวิตปกติไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อก็พยายามพยายามจะปฏิบัติให้ให้เยอะให้มากแต่ว่าพอใจมันมีความพึงพอใจเพราะมันจะเป็นศพหลวงพ่อมันยินดีที่จะทำ อืมดีทำไปเรื่อยมีโอกาสกับเพิ่ม <ขอ S 1> ได้กับเพิ่มนะค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีรายงานเข้ามาค่ะห ล, งหลงวงพ่อสาธุจรรขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะสวัส ด, ดีคุณสุภัสตาอันนี้อยู่เท็กซัสไม่อยู่ที่กราทมอกรำลำมาสกักการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกยังอยู่ที่ไทยเจ้าค่ะออยู่ที่โอุคลไม่ที่ไหน อ๋อบ้านลูกอยู่อ๋อปทุมแต่จริงๆก็อยู่ติดกรุงเทพเจ้าคะ่ะอยู่ลำลึกาาลกาเจ้าคะา่ะลำลกกาเจ้าคะ่ะก็ยังอยู่ก็พยายามตื่นเช้ามากเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติเจ้าคะ่ะเจ้าตอนนี้ยังนั่งสมาธิไม่มีเวลานั่งสมาธิลูกใช้วิธีฟังเทศก่อนเจ้าคะ่ะพอครองไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะ ทม่ห้นั่งสมาธิไม่ได้เ ม, <อ>มัน ไ, ไ, ไม่มีเวลาเจ้าค่ะคือคือเวลาน้อยมากลูกก็เลยเลือกฟังเทศแทนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเลือกฟังเทศแทนแล้วก็พอเวลาเหลือเหลือประมาณยี่สบสามสิบนาทีลูกก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็ต้องไปบ้านคุณแม่ต่อเจ้าค่ะอตืตอนนี้ก็พยายามตื่นตีสามกว่าตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืม แล้วค่ะเพราะว่าต้องออกจากบ้านตีห้ากว่าแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณทุ่มสองทุ่มเจ้าค่ะแล้วค่ะอยู่กับเขาส่วนใหญ่ลูกก็เลยเลือกวิธีแบบนั่งฟังเทศแล้วก็อยู่กับบางทีก็อยู่กับพุโทโธเท่าว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พย<อ>ายามพยายามเจ้เา ก็พยายามนั่งมั่งก็จะดีสมาธิมันช่วยทำให้ใจเราสงบให้ใจเราเย็นสบายเจ้าค่ะเจ้าค่ะรู้ฝ่ายาเจ้าค่ะตามสถานการณ์ก่อนจ้ะก็เหมือนกับป้าอาจารย์บอกไม่ได้ขึ้นทางด่วนตอนนี้ตอนนี้กำลังอยู่อะไรนะก็ประมาณติดไฟแดงเยอะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะโ okay. อเคพยายามทาเท่าที่เราจะทําได้กันแล้วกันนะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสมาธิไม่ควรจะทิ้งนะเดี๋ยวเวลาจะตอบไปจะเข้ามันจะเข้าลําบากนะเจ้าทิ้งนานๆเจ้าค่ะโอเคอะไรที่คุณจอยต่อจอยพทัทยาก่าวค่ะได้ยินหรือไม่คะได้ยินจ้ะ อ๋อว้าที่หนูไปฟังเทศที่หน่ากุติมาด้วยเทศที่จะถึงนี่แล้วที่ผ่านมาเท่ที่ผ่านมาค่ะอ่านี่ผ่านมามดีค่ะพอไปฟังแล้วก็ดีดีกับใจมากๆค่ะอืมม า, มาเรื่อยๆว่างว่างก็มั่มานั่งฟังนะค่ะแต่เดี๋ยววันพรุ่หนูไปใส่บาตรเหมือนเดิมค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะไปที่กุญแจพัทยาเหมือนกันได้ น้ังคากนันส ก, การครับพระอาจารย์ ก, <Yeah. S 2> ก็ปฏิบัติก็ก็ดีค่ะไปที่วัดก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างค่ะอาจารย์ mm hmm. เจอกับความที่ไม่ใคยเจอก็ได้เจออะไรอย่า ง, ง mm ี้ค่ะก็มีมาน่มากขึ้นอแล้วก็ตอนนี้คงจะถึงจุดเปลี่ยนไม่ได้ไปใส่บาตระอาจารย์แล้วแน่ๆเลยวราอาจารย์ก็เพราะว่าโยมโยค่ะไม่สบาย แล้วหมอบอกว่าเกิดจากการที่เราพักผ่อนน้อยแล้วก็มันอาจจะสะสมมาจากตั้งเป็นปีๆอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นความดันแต่ก็จะตรวจจะนัดตรวจใหญ่ก็วันวันศุกร์ที่จะถึงนะะี่ค่ะก็เลยว่าให้เขาพักผ่อนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีการอ่าจากที่เราไปใส่บาททุกทุกบ่อยๆใช่คะพระอาจารย์ก็จะมาเอายอดกับปุกตามตามที่เรา เอาเงินไปบานใช่่ะนานๆก็มาถวายที่ก็ได้ทำบุญทีก็ได้ใช่ค่ะก็คิดว่าใจตัวเองคงจะเป็นสุขเหมือนเดิมคงจะไม่เป็นมันคงจะไม่เป็นปนัญหาได้ก็ได้ทําทุกวันเหมือนเดิมเดี๋แต่ว่า<ค>ยังไม่ได้มาไม่ได้ไปทําเองก็ใส่กระปุกไว้ก่อนพอไหนมาวัดแล้วก็เอาเงินไปถวายวัดก็ได้ใ ค, ค่ะอาจารย์ก็คิดว่าจะเป็นประมาณนั้นก่อน Mm hmm. ดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นกับตัวเองดีขึ้นกับใจตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ต้องรักษาร่างกายก่อนนะคะพระอาจารย์ก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันเป็นเยอะอย mm ู hmm. ่ค่ะเพราะว่าวันที่ไปรับหนูที่จริงเขาเป็นตั้งแต่วันที่หนูอยู่วัดนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ไม่มีใครบอก mm hmm. ก็เลยพอมารู้มาถึงบ้านพ่อแฟนก็บอกเหมือนว่าหายไปไหนมาทำไมไม่มาดูดูกันบ้างเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่า เ อ, อ้ยทำไมไม่บอกนา ะ, ะถ้าเป็นอะไรก็แทนที่จะบอกแต่ก็ไม่ได้ว่าเขามากมายค่ะก็มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ป่าก็ไปลงพยาบานะคะวันอาทิตย์ก็ค่ะก็ไปวันไปไปหาหมอวันจันทร์อนจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะาอาจารย์ก็จะพยายามจะพยายามปฏิบัติได้เรื่อยค่ะถ้ามีโอกาสร่างกายก็ต้องดูแลมัน ให้มันได้สิ่งที่มันต้องการอาหารการพักผ่อนหลับนอนที่พอเพียงคเพราะว่าโยมโยอ่ะกินมื้อเดียวตั้งแต่ตั้งแต่เขา้าพรรษาแล้วพ่ะอาจารย์นัดตัวเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่เลยว่าเออก็หยุดหยุดและการก็กินเหมือนเดิมและกันแต่หนูก็ยังหนูก็ยังรักษาสิ่งแปดอยู่ก็มื้อเดียวเหมือนเดิ ม, มแต่เขาก็ตั้งแต่ไม่สบายก็สองมื้อแล้วค่ะอาจารย์ ก็เลยว่าก็เอาเพื่อกินยารักษาตัวไปก่อนใช่ถ้าร่างกายไม่สบายก็ต้องดูแลมาตั้ก่อนมันดีแล้วค่อยกลับมาปฏิบัติต่ อ, อนี่ก็ไม่มีอะไรนี้เท่านี้ค่ะพระอาจาราย์อ่างรักษาใจอยู่เรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์อขอบพระคุณค่ ะ, ะคที่คุณจ้าจ้าตอนนี้อยู่กรุงเทพล้วอยู่ที่โปแลนด์ อาจารย์ค่ะอาจารย์อยู่พอร์ตแลนด์ค่ะอะ่พอร์ตแลนด์ค่ะอยู่กับกรุงเทพวันที่1 8กันยายนค่ะแล้วด้อยู่ประมาณสเดือนสวนพี่สาไปจังัดอนจา ก, ก, กที่ชลรีอ่ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้หนูอ่าอาทิตย์นี้หนูยังยังไม่ทาหลังเที่ยงยังทำได้อยู่นะคะก็ก็ดีก็คิดว่าคงจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ หนูเพิ่มมารณานุสติเข้ามาก็คือลองไปเปิดมันหาที่เป็นศพคนไม่ค่อยได้อะคะ่ะที่ตามพวกในใน t u b e บในอะไรพวกอย่างเงี้ยหนูก็เลยดูเป็นกวางแทนเป็นมันมีคนทาําทม์สล็อตอนแบบเหมือนร่างกายดีเคอะไรนยคะแล้วก็<ม>หนูก็เอามาใช้มองเหมือนเวลาดูตัวเองในกระจกเงี้ยคะ่ะก็พยายามจ้องจนมันเห็นว่าเออเราก็วันหนึ่งเราก็จะแบบเปื่อยเน่าไปเหมือนกวางตัวนั้นอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ คือหนูอยากเพิ่มศิบแปดตรงข้อที่แบบไม่ไม่ทาครีมไม่แบบไม่ห่วงสวยห่วงงามอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ <ừ. S 2> คือเรื่องแต่งหน้าหนูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องแบบทาชม ท, ทาครีมอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเคยเหนะ็นหนังสือกายกตาสติของหลวงตามหาบัวไหมค่ะหนูก็เปิดดู <ừ. S 1> ในนั้นแล้วแล้วก็มันเหมือนพื้นเดิมหนูไม่ใช่คนกลัวผีอะคะ่ะคือหนูก็ ดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็เลยมันไม่เลยไม่น่าใจว่าการดูพวกนี้ควรจะดูเพื่อให้รู้สึกกลัวสังเวชคือรู้สึกสังเวชรู้สึกสงสารจะหลดนะอันนั้นรู้สึกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความอ่ามันไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่หนูไม่ทราบเหมือนกั น, นะคะ่ะแต่หนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับจิตเท่าไหร่หนูก็เลยไปลองเนี่ยค่ะจนกระทั่งมาเจอวิดีโอกว้างแล้วมันก็แบบมันเป็นภาพเคลื่อนที่เป็นไทม์สล็อตนะคะคือมันก็แบบ ค่อยๆเห็นจากธรรมดาจนพองจนแบบประทุออกมาจนหนอนกินแล้วก็แบบเหมือนแบบถ้าดูเร็วๆแล้วเหมือนมันกลายเป็นผงไปเลยค่ะจากแบบจากตอนเริ่มอะไรเงี้ยหนูว่าอันนั้นมันมันเวิร์กกันหนูพอสมควรแต่ว่าหนูก็ดูแค่แบบตอนประมาณปลายปายอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ดูอีกมันก็เลิเหมือนจางๆไปก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มหายไปก็เริ่มแบบกลับมาเอ่อแบบมาสู่โลกเหมือนเดิมแล้ว กอดูเพื่อไม่ให้เราหลงไหลกับร่างกายของเราไม่ต้องมาคอยกังวลคอยสริมคอยเสริมสวยความงามในที่สุดมันก็กลายเป็นซากศพไปหนูก็พยายามคิดตรงนั้นอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องปฏิบตัติเรื่องการปฏิบัติหนูก็อ่าอาชีพนี้มีที่นั่งเด่นนานๆแค่ประมาณสองครั้งค่ะสองหนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงครึง่งแล้วก็อีกทางหนึงประมาณชั่วโมงครึง่งก็ตอน หนูก็นั่งสามารถผ่านไปตรงจุดที่คือหนูก็คือนั่งดูตัวเองเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบตัวใหญ่พองขึ้นมาจนมันหายไปจนมันเป็นเวทนามันผ่านไปได้แบบเหมือนหนูก็ไม่เชิงเรียกว่าผ่านไปได้นะคะเรียกว่าอยู่แบบมันได้มากกว่าเพราะว่าตอนสมัยที่หนูเคยผ่านไปได้เนี่ยมันมันผ่านแวบไปเลยจริงๆคือแบบจากที่เจ็บมันหายเจ็บแต่อันนี้มันเหมือนมันไม่ได้หายเจ็บแต่เหมือนมันไม่ทรมานขนาดนั้นอะไรทีนี้หนูก็ อืมหนูหนูมึนค่ะรู้สึกว่าตอนที่กําลังจะรวมเข้าสมาธิอ่ะค่ะมันเหมือนมันจะเหมือนน้าไหลลงท่อมันจะแบบมันทุกสิ่งอย่างเลาะค้างค่อยๆรวมตัวกันเข้ามาเสร็จแล้วหนูจะหลุดตรงพุดโธตรงเนี้ยประจําเลยค่ะคือเหมือนมันจะตื่นเต้นนะคะมันจะแบบหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วจะเข้าสมาธิละแล้วทันทีที่คิดนั้นปับ๊บมันก็อาละกระจุยทุกสิ่งอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่หนูก็เลยอ่า ก็ไม่รู้จะทำไงก็พยายามผ่ะคิดว่ามันเป็นทิ่สติหนูเองที่ยังไม่แน่วแน่แนกับพุโทโธพอคิดว่าถ้าถ้าหนูเกาะติดพุโทโธแน่นจริงๆเอ่ยเดี๋ยวมันคงจะรวมรวมได้เองถูกต้องอย่าไปคิดอะไรถ้าเราอยู่กับพุโทโธไม่คิดแต่พุโทโธอย่างเดีย ว, วอยากค่ะหนูหนู อ, อยากเรื่อยเลยแล้วก็มีก็ อเรื่องสุดท้ายคือหนูฟังหนังสือเสียงของหลวงปู่มั่นหนังสือชื่อมุตโตไทยนะคะแล้วก็มีส่วนที่หลวงปู่พูดเรื่องออวิชาว่าเหมือนพ่อแม่ของอวิช า, า, า, ากาชาา็มาจากอ่กิเลสอาสวะมาจากภพเก่าของเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้หนูก็นึกไปถึงว่ามันมันคล้ายๆเหมือนประมาณไก่กับไข่อย่างนี้ไหมคะคือโดยความที่มันเป็นเหตุปัจจัยคือมันเกิด สิ่งพวกเนี้มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของจิตซึ่งมันเป็นธาตุที่มีของมันอยู่แล้วไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาต้นต่อแต่ก็แค่รู้ว่าก็มันมีของมันแล้วมันก็เป็นปัจจัยกันอะไรแบบนี้ถูกไหมคะคือก็รู้แค่ว่ามันจะเป็นจะต้งเป็นหรือว่ามันอยู่ที่ไหนเกิดมาอย่างไรเพียงแต่รู้ว่าวิธีจัดการกับมันจัดการอย่างไรก็พอ ก็คือถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีสังขารที่ปรุงเริ่มมาจากความไม่รู้ปับ๊บเราก็แค่เข้าใจว่ามันเป็นเพรา ะ, ะเหมือนเหมือนนิสัยที่ก่อสร้างมาซึ่งเราก็ต้องค่อยๆปรับจากนิสัยตรงนั้นถูกไหมคะแล้วพอเราต้องเราก็ต้องเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้เราก็จะได้ไปในทางที่ถูกต้องได้โอเคขอบพระคุณค่ะพระใจในแค่นี้ค่ะโอเค อะไรที่กืบฟังาอะไรสีราชางานมาสการข่าพระอาจารย์มีกันบ้านเรื่องอุเบกขามาทดสอบนิดนึงคะ่ะแต่ว่าก็จะมีคำถามนิดนึงนะต้คะ่ะเรื่องแรกอะคะ่ะพอดีหนูไปได้ยินมาจากที่ทำงานเก่าซึ่งคนที่เรามีแชรเล่นกับหนูอะเขาก็ไปเที่ยวพูดว่าประมาณว่าหนูออกจากที่ทำงานเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องชิตงทตที่ที่สายงานไงคะ่ะ แต่ว่าหนูฟังอ่ะหนูก็ําหนูก็บอกว่าปล่อยให้เขาพูดไปเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปพูดให้เหนื่อยก็ก็เดี๋ยวก็จบแต่ว่าหนูไอ้ตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นอุเบกขานคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูผลขึ้นมาคือหนูจะเห็นเห็นความดีหรือความไม่ดีชัดเจนนะค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรายังมีความอุเบกขาเรายังไม่เรียวจริงเลยคนะ่ยนะทำไมเนี่ยเพราะว่าเราเรายังผดคือ ตัวคำที่เราเห็นแล้วเราก็เสร็จเราได้ฟังแล้วเราก็เฉยๆจะกับตัวเราแต่ว่าหนูอ่ะก็ไปมองเขาว่าอ๋อเพราะอันเนี้ยเขาไม่ดีไงเขาถึงพูดแบบนี้อะไรเงี้ยะหนูก็เลยหนูก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวหนูอ่าอุเบกขาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีความคิดผูดออกมาเงี้ยค่ ะ, ะไม่หรอกถ้าเราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อนก็ถือว่าเรามีอุเบกขาแนละ้วเราจะไปคิดอะไรก็มันก็เรื่องของเราเราคิดได้อืมเพนั่นก็คือ ไม่แบดบคือได้ยินอะไรมาแล้วเราก็ไม่ได้แบดมาแล้วเือว่าเราไม่ทุก า, า, าไมเราไม่เดือ้อนใจเราเฉยเไม่เด้ก็ถือว่าอืมค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะเจ้าคะ่ะก็ก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องลูกสาวที่ที่หอพักที่มหาวิทยาลัยเขาก็จะมีปัญหาเยอะในระหว่างนั้นนะคะประมาณสองสามสัปดาห์เนี่ยก็ร้องโทรมาร้องไห้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ หนูก็ใช้หนูก็ใช้คําสอนพระอาจารย์ทั้งกล้วยทั้งส้มทั้งยอมหยุดเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันก็ค่อนค่อนข้างยากสําหรับเด็กวัยรุ่นก็ก็หาวิธีในการแก้ไขปัญห์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอดีวันเนี้ยลูกสาวก็ไลน์มาบอกว่าแม่หนูรักพระอาจารย์นะแล้วหนูก็รักพระเยซูด้วยแต่ว่าหนูอะนั่งสมาธิแล้วนะอะไรเงี้ยหนูเอาคําสอนพระอาจารย์มานั่งอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะบอกเขาว่าวิธีการนั่งถ้าตามหลักศาสนา ให้นึกถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันดีขึ้นค่ะหลังจากที่แบบว่าเอาที่พระอาจารย์สอนแล้วก็เอามาทําสมาธิมันจะทําทําให้เขารู้สึกว่าแบบไม่ไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ฝากกับพระอาจารย์มานะจ๊ะค่ะ่าเดี๋ยวจ้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นส่วนตัวหนูอะปัญหาที่เกิดขึ้นนะหนูเฉยเฉยชิวชิวมากหนูก็ค่อยๆใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาว่าหนูในฐานะแม่หนูจะแก้ไขอะไรแต่ว่า หนูก็จะเข้าใจตามที่พระอาจารย์สอนว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราก็ช่วยได้ตามหน้าที่ซึ่งหนูหนูก็เลยคิดว่าอ๋องั้นถ้าอุเบกขาแบบเนี้ยมันน่าจะเริ่มคงที่แล้วค่ะส่วนเรื่องปัญญาอีกนิดหนึ่งนะเจ้าคะถ้าฟังครรมพระอาจารย์เนี่ยค่ะที่พระอาจารย์สอนเนี่ยอันนี้เป็นคำสอนเราถือว่าการฟังธรรมพระอาจารย์สอนนี้เป็นปัญญาด้วยไหมเจ้าคะก็เป็นปัญญาเป็น เป็นความรู้ที่เราเอามาใช้ดับทุกข์ก็เป็นปัญญาปัญญาและความรู้นะจ๊ะคะ่ะคือปัญญาคือความรู้แต่ทางศาสนาพูดปัญญาหมายถึงความรู้ที่เอามาใช้ดับความทุกข์เนี่ยอ่ามันเราก็ต้องไม่เป็นไปไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัด ก, การโรงแรมหรืออะไระใช่แล้วเนี่ยครับได้ค่ะมันตอนนี้หนูหนูหนูทํางานมาที่ใหม่ค่ะงานมันจะค่อนข้างเยอะบางทีจะแบบ มีเวลาในการพิจารณาสุภาคงกระดูกจะจะไม่ทันต้องคอย imagine อ เ, เอาแต่ว่าถ้านั่งประชุมไปหรือว่าทำงานไปแล้วมองเห็นคนืบบค น, หนเห็นเห็นคนแค่แป๊บเดียวค่ะหนูจะมองเห็นเขาเป็นซากศพมันจะง่ายง่ายขึ้นหนูก็เลยช่วงนี้หนูก็เลยใช้ใช้วิธีในการมองภาพซากศพมาเป็นภาพคนที่เคลื่อนไหวไปมาค่ะนี่อย่าลืมมองของเราด้วยนะ ยังมองแตมองคนอื่นแล้วรืมตัวแล้วว่าเราก็หมาเข้าะไม่ถึงตอบเวลาค่ะไม่ถึงความใจตอบเวลาทุกคนขอบพระคุณค่ะขอบคุณหมอสุทัศน์เจนีขอทุมท่านนีไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านผาจารยสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะโอเคไปที่บอวินชนบรีคุณสุพัฒนา จากน้ำมาการอาจารย์ต้องากาเข้ามากราบพระจารย์แล้วก็มัรว่าังธรรมเจ้าค่ะมีมีคำถามวันนี้มาฟังธรรมไหวนะก็ <g ül üyor> ตั้งใจเจ้าคะ่ะอาจารย์อืแต่เก็บแต้มไว้ให้ใ ห, ให้ให้มากที่สุดเจา้าค่ะพระอาจารย์ฟ <g ül üyor> ังที่บ้านไม่เหมือนกับ่ฟ <g ül üyor> ังที่ ท, ท, ที่ที่วัด น, นะ <g ül üyor> ใช่ใช่เจ้าค่ะอาจารย์อยู่อยู่บ้านมันไม่เหมือนกันค่ะยังไงก็อยู่ที่ที่น้า ที่วัดหรือว่าที่บนเขาก็ดีกว่าอยู่แล้วจ้คะคะ<ม>พระอาจารย์ดีที่สุดนะคะ<ม>ได้ได้ทั้งทำได้ทั้งเอ่อเรียกอะไรคะ<ม>เหมือนเหมือนเวลานั่งเ<ม>จ้าค่ะนั่งนั่งสมาธิที่ไปฟังธรรมกับพระอาจารย์มันฟัง<ม>ได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงแต่อยู่ที่บ้านอ่ะมันได้แค่แวแบๆเจ้าข่า<ม>ะ<ม>ได้ไม่เต็มร้อยจ้ะคะเมันมีคนไม่มีคนมาดูเราเหมือนตอนที่เรามานั่งอยู่กับนั่งอยู่กับคนอื่นเนี่ย เรนอยู่คนเดียวมคนดูเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันอยู่ในกรอบใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ในกรอบมันมีอะไรคอยบังคับเราไม่ให้ไปทําอะไรใช่จ้ะค่ะแต่แต่เราอยู่บ้านนี่คือเราไม่มเมือนเราอยากลุกมันก็ลุกเลยค่ะทั้งที่ก็เราสร้างแล้วว่าไม่ให้อยากอแต่มันก็บังคับตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นมาบังคับเรา ก็เหยือกับนั pues to plane to plane to an. ่งสมาธิพ well ี t t ่พี่น nah, ั no way, od, ่งกุฏิยังสงบกว่านั่งอยู่ที่บ้านมากเลยจ้ะค่ะก็คนอื่นเขาก็นั่งเฉยๆแล้วก็นั่งเฉยๆตาเมื่อยไปเจ้าค่ะดีดีได้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะอาจารย์ดีมากดีมากไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ถามดูเท่านั้นอยากรู้ว่าทําไมถึงไม่อยู่ที่บ้านที่บ้านมันสะดวกกว่าไม่ต้องเดินทางอ๋ออันนั้นอันนั้นคือมีข้อจํากัดว่าตอนนั้นคือเจ้านายบอกว่าไม่ให่อยากเอารถไปใช้ แต่ตอนนี้เจ้านายเปิดแล้วร้อยเปอร์ซ็ก็สตาร์ทเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เร่งเต็มสปีดเจคะพระอ า, าจารย์โอเคนะคะวันนี้ก็มีมีนิดหนึ่งที่ที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้กลัวก็มีคุยกับกับทางเพราะว่าเจ้าของบริษัทนี้เขาก็ปฏิบัติทําเหมือนกันกับพระอ า, าจารย์ก็คุยบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้กลัวถ้าจะตายก็ตายไม่ให้กลัวพอดีวันนี้พระอาจารย์ก็ตอบคำถา ม, ามอาจารย์ใส่ทิศโยมเมื่อวานนี้โยมนึกภาพว่าถ้าเผื่อมีคนจะมาทำร้ายเรา ให้เราหลับตาแล้วก็พูดโทใช่ไหมเจ้าคะเออเอี่ยไปสนใจยอมเขาปล่อยให้เขาทำไปเรารักษาใจของเราให้เฉยเฉยไว้ <c oughs> ตอนนี้ยอมยมก็นึกภาพว่าถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนี่ก็คือเราในเมื่อเราบอกว่าเรายอมตายแล้วเนี่ยวันนี้โดนใจมากเลยค่ะพรอาจารย์ที่บอกว่าให้พระอาจาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆยอมก็จะจะจ ะ, จะเรียนเตรียมไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์เตรียมไว้เตรียมไว้ ไ, วไม่ให้ตกใจเจ้คาค่ะ ค่ะนี้ก็ได้ได้ตรงนี้มาด้วยเราอย<ร>ู่นิดนึงใจเราไม่เลได้ตายเหมือกับร่างกายนั้นใจเราไม่ต้องไปตื่นเต้นร่างกายมันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมร่างกายตายมันไม่กลับมาตื่นเต้นแต่ใจที่ไม่ตายกลับไปตื่นเต้นแนนนทนร่างกายก็คือเขาจะทําอะไรก็คือ <c oughs> ให้นิ่งไว้พุทโธใจไว้นะเจ้าคะพระอาจารย์ช่วยใจไว้ช่วยใไว้ดีที่สุดพอเรานิ่งบางทีเขาก็จะไม่ทํำเระ จะว่าไปแล้วก็เคยเหมือนจะคือลูกน้องมันโกรธอะนะคะน้องที่ที่ทํางานเขาโกรธแล้วเขาก็เนื้อมีดจะมาเหมือนทําร้ายเราแต่กว่านั้นก็ไม่ได้กลัวนะคะอาจารย์แคือเขายั้งเองพอพอเขานอนแล้วตอนเช้ามาเขาก็เจ็บต า, าก็บอกว่าเขาเขาคิดร้ายกับปอยเช้ามาเ้าก็เลยไม่สบายอันนี้ก็ก็ ก, ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนั้นมันก็เหมือนกับ เราไม่ได้ตั้งตัวแต่มาเที่ยวนี้ที่ที่ที่เราเตรียมใจไว้ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่ให้ตกใจโยมก็ตั้งใจว่าจะตั้งพุทธทองพุทโธในใจนะคะพระตาดีที่สุดเพื่อรักษาใจเรานั่งกายเรารักษาไม่ได้มันจะเป็นจะตายก็ต้องปล่อยมันไปแล้วค่ะแล้วค่ะพึ่งนึงื่อคืนเมื่อคืนนี้เองเจ้าหาพระจานทร์วันนี้ก็ได้คำตอบยังไงก็ง ค่ะทุกทุกเจ้าค่ะอาจารย์ขอบพระคุณพาาอาจารย์ด้วยค่ะอ่าทำไปที่คุณหน่อยหน่อยชิมยาเนี่ยอาทิตล่าก็มาฟังเทศเหมือนกันเนี่ยค่ะมามาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงดีไหมม<ป>าฟังเทศดีไหมไปค่ะเป็น<ม>อ่าเข้าใจว่าทําไมที่ถึงไปกันไปไกลๆ ก, ก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค็คือว่าธรรมะมันสดใหม่เจ้าค่ะแต่ สำหรับห น, น่อยหนอ่าไม่ได้กลัวนะเจ้าคะพอหน่อยนั่งสมาธิกิ้งกือมาเยอะเลยเจ้าคะ่ะบางทีมีแมงมุมมาชักใยข้างหัวหน่อยด้วยอาจจะเราอาจจะมีความไม่ตา ม, มากมันอะไรมามาหาเราอหน่อยมองว่าเป็นบททดสอบหรือเปล่าเจ้าค ะ, คะว่าเรากลัวหรือเปล่าอะไรก็ได้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันเรากลัวบปล่าเราเฉเฉยแอบ ไม่กลัวแต่คิดเดือดได้ไหมล่ะคะคือหน่อยถึงเป็นนั่งปกติถึงนั่งปูนไงเจ้าคะ่ะไม่อยากนั่งยากกลัวแบบทําร้ายเขาด้วยแล้วก็ไม่ชอบเจ้าคะ่ะเ mm hmm. นี่ยไหน่อก็ถึงเข้าใจว่าทําไมหนถึงไม่ไปที่อื่นสักทีเพราะว่านี่แหละหน่อยไม่อยากแบบเจอแบบเนี้เจ้าค mm ่ะ hmm. อซึ่งไม่ดีเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะว่าอย่าง ถ้าเราจะสันโดษจริงๆเราต้องไปได้ทุกทีมันก็ในที่สุดแล้วถ้าจำเป็นจะต้องไปก็ไปถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเพราะอย่างนั น, ม, นมันอยู่ที่เหตุผลด้วยไม่ใช่เจ้าแต่ที่เราต้องการจะไปตอนนี้ก็คือที่สงบที่ช่วยการภาวนาของเราให้ดีที่ไหนมันสงบทำให้การปฏิบัติของเราดีแล้วควรจะไปที่นั่น เลือกสถานที่สัปปายะเนี่ยสถานที่ที่สัปปายะการไม่สัปปายะนี้มันมีผลต่ อ, ตอการปฏิบัติของเราถ้าสัปปายะมันจะทําให้จิตเราสงบง่ายถ้าไม่สัปปายะนี่มันจะทําให้จิตเราสงบยากก็ต้องเลือกที่บางทีถ้าที่รตรงนี้มันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนที่หาที่ที่มันดีกว่านี้ใช่ค่ะ คือหน่อยอะก็ต้องคอยออกสมาธิเรื่อยเพื่อที่จะมาดูว่าเขาไปถึงไหนแล้วเขาก็มาใกล้ตลอดเลยนะเจ้าคาะเนยทดสอบมากเลยอะทดสอบจิตใจแต่ก็ อ, อบ ต, <จ>ต <ก S 1> อบก็ง่างยแค่เร า, าไปสนใจเขาแสดงว่าเรสอบตกว่าเจ้าค<ะ>่ะไหนก็ว่าที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็น่าจะสอบตกไปแล้ว อาศัยไปแล้เฉยๆไปเข้ามาเขาจะเขาจะเลื้อยไปตรงไหนก็ปล่อยเขาเลื้อยไปเขาจะคานไปตรงไหนก็ปล่อยเ้าคลานไปคานบนศีรษะเราที่แขนที่ขาก็ปล่อยเขาคลานไ ป, ไปาารรค่ะพระอาจารย์เจ้าคะอย่างคือวันนี้ไหน่เธอสิ่งแปดแล้วทีนี้อ่าก็คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ข้อที่แบบว่างดดูสิ่งแบบว่าอะไรแต่ ดูพวกเขาทํากับข่าวอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะก็ไม่ควรดูธรรมะจะดีกว่ า, อ, าอ่าอืก็ฟังธรรมะอ่าเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นไ ม, เมน่เอามันเพราะอย่างอื่นึันก็เป็นเรื่องของทางโลกมันก็ทำให้เราเกิดความโลภ ก, กดหนองขึ้นมาได้ใชค่ะอา่อาแล้วเร า, าดูเขาดูเขาทากับข่าวเดี๋ยวก็หิวข้าวขึ้นมาก็ยิ่ง ก็จะเป็นแบบว่าไอเดียว่าพรุ่งนี้ออกศิลแล้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ย น, น, นะคะกินอะไรเป็นมาแล้วเงี่ยค่ะดูสุภาพณ์ดีกว่าดูสุภาพณดีกว่าอย่ า, <อ>าดูสุภาษใช่ไหมจ๊ ะ, ะดูสุภาษณ์ดูคนตายดูคนเจ็บดูคนแก่กอย่างเี้ยจ๊ะถ้าอย่า ง, างจ๊ะคะ่ะหน่อยเือเสียนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบท้องเสียอย่างเงี้ยกินสปอนเซอร์ได้ไหมเจ้าค่ะ ได้นะ้อันนี้ถือว่าเป็นยาบานทีน้ําเกลือเกล้าอย่างนี้ต้องต้องกินเพื่อทดแทนทดแทนเกล้าที่ที่เสียไปแต่อย่าอย่ากินอย่าไปกินจนกระทังมันอิ่มมนเป็นนแทนอาหารก็แล้วกันเอาแค่พออยู่ได้พอประทางได้ให้ผ่านคนไปเจ้าค่ะอย่าไปอย่าไปอ้างว่าเป็นเป็นยาแล้วกินให้มันอิ่มไปเลยนไม่ได้เจ้าค่ะ ก็มีคำถามประมาณนี้จ้ะค่ะพระอาจารย์โอเคพยายามปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะไปด้วยคุณซาเลงทอนเนี่แ้เวลรับนำมัสการพระาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรค่ะมาร่วมรับฟังธรรมแล้วก็แล้วก็มากรบาบพรงอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คนจีบก็ม า, มาแต่เช้าเลย ไ, ได้ดค่ ะ, อะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะฝากกราบพระจานทร์กลัวเข้าไม่ทันค่ะแต่ก็ก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระจันทร์โดยตรงช่วงนี้โยมก็ดีนะคะพระอาจารย์ไม่ค่อยมีอะไรเวลาถ้าสมมติว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างวันอพอนั่งสมาธิไปมันก็จบอ่ะค่ะมันก็ไม่มีเรื่องกังวลแล้ววันใหม่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอะน ตอนนี้นอำนาจจะสงบเดี๋ยว่วันต่อไปอาจจะเกิดเจอพายุขึ้นมาก็ได้ต้องเตรียมตัวไว้อย่าประมาทค่ะมันยังไม่มีเรื่องใหญ่ใหญ่อะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ซ่อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนคิดเผื่อไว้ก่อนค่ะแล้วก็แพลนชีวิตนะคะ<ม>เตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะให้พยายา ม, มเลิกเร็เวที่สุดนะคะ่ะจะได้<ม><ม>ปฏิบัติหลังจากนี้อะคะ่ะก็การชีวิต เดี๋ยวต้องต้องมีการจะมีการวางแผนแว่าเราจะได้มีมีทิศทางที่เราจะได้เดินทางไปได้ถ้าไม่วางแผนแม่มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยอมรับว่าโยองก็ยังห่วงลูกกลัวว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องไปปฏิบัติธรรมจริงๆก็ก็ยังห่วงเขาอยู่แต่ก็ค่อยๆค่อยๆบอกเขาอ่ะคะ่ะแล้วก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมที่ตรงวัจรจิเนียก่อนที่พระอาจารย์เคย เคยนะอาจารย์เล็กใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อเมื่อวานยมก็เห็นว่ามีอ Jordan, Jordan, จอแดงจอชาแคนาดานั่งรถมาจากทตร์นาโต้ต้งสามสิบห้าชั่วโมงใช่ไหมคะที่เขาเล่าแล้วสามสิบกว่าชั่วโมงโยมยรู้สึกว่าโอ้โหเขามีศรัทธาแรงกล้ามากเลยนั่งรถมาเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมเขาก็มาอยู่ที่เกาหลีอยู่สองสามประเทศด้วยกันค่ะอ่า ว่าจริงๆที่นั่นก็ไม่ค่อยไกลจากที่บ้านโยมเท่าไหร่นะคะอืมก็เล็กๆท่านนะค่ะค่ะแล้วก็จริงๆก็มีคนที่รู้จักที่เขาไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเหมือนกันอืมก็ก็ไม่น่าจะยากเอาไวช้ชวนคุณจิตไปด้วยกันใช่ไหมับมาลองติดต่อลงหน้าไว้ก่อนคงจะต้องติดต่อลงหน้าก่อนค่ะก็เห็นในเว็บไซต์เขาว่าค่ะมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรก็ถามเขาว่าต้องทํายังไงบ้าง ก็โยกอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสองอาทิตย์มันอาจจะนานไปก็ไปลองดูสถานที่ก่อนว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไปทําบุญก่อนก็น่าค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดทันแตงแรกนะคะสาธุจ้าข้าคเจ้าคนชนะดาเชิญชนะดาอยู่ที่ไหนถ้าพระอาจารย์วันนี้อยู่สมุทรปราการค่ะอืค่ะพระอาจารย์ วันนี้ก็เออ่จะถ้าเรียกว่าอะไรก็ไปก็ไปเจอไปเจอคู่กรณีอีกค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์อืมก็เป็นธรรมด า, าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีทั้งเจอได้สิ่งที่เราชอบกับเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบค่ะพระอาจารย์ ค้องทำใจเฉยๆไหมันนี้เป็นฟ้าอากาศค่ะค่ะอืมค่ะว่าอาจารย์ข้อสองของเราก็อย่างนี้นะข้อสองของเราเราสอบผ่านไหมเราเฉยๆได้ไหมค่ะค่ะ แล้วก็ต้องไม่มีอาการเบื่อหน่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพาร์จาร์ดเออดังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอืมค่ะต้องไม่มต้องไม่มีเออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นเช่นนั้นในใช่ไหมะคะพาร์จารย์ถ้ามันมีอารมณ์ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธสง บ, สงบมันสงบมัเอาคําเอาพุโทโธมาหยุดคําอารมณ์ที่มันอาจจะไม่รู้สึกไม่ดีเกิขดขึ้นค่ะพาร์จาร์ค่ะวันนี้ก็ นั่งนั่งไปนั่งมานั่งหลับตาแล้วก็แล้วก็หลับไปอะคะ่ะพระเจา้ามันเหมือนย ก, ยกแยกเหมือนตอนนั่งสมาธิแล้ว ง, ง่วงแบบนั้นนะคะมันก็ไปแบบนั้นอาจารย์เแสดงว่าสติไม่ค่อยดีค่ะในในขณะที่แบบว่าเขาก็ยังพูดคุยกันอยู่ผู้กรณีก็ยังพูดคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะอืเออก็ยัง โอเคก็ก็ก็หมายหมายถึงว่าลูกก็ต้องดูใจลูกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพัดก็เราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปมีอะไรกับเขาแล้วกันเราก็เฉยเฉยไปค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะยอมหยุดเย็นใช้สูตรสามหยอายอมแพ้หยุดต่อสู้น้องใจเราก็จะเย็นจะเฉยยอมแพ้หยุดต่อสู้ใจจะเย็นจะเฉยค่ะ ยกตรงขาววางอาวุธวางอวางอาวุธเขาจะทำอะไรเขาจะทาอะไรเราก็ปล่อยเขาทำไปเขาจะด่าเ <c oughs> ขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาทาไปค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้น้ใจเราจะเย็นค่ะพระอาจารย์อืมค่ะพระอาจารย์ลูกจะไปลองพิจารณาดูคะ่ะพิจารณาคะ่ะ ว่ามองเขา า, า, าเป็นเหมือนดินท้าก่างเราห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ฝนจะตก<า>แดดจะออกนะ้ําจะเทลงเราห้ามมันไม่ได้ค่ะ<า>คนาาจะดีจะจะไม่ดีก็ห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระ อ, อาจารย์ปล่อยเขาค่ะนะค่<า> <Okay. S 3> ะโอเคไ อาจารย์ขาลูกกุญแจอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์พอดีว่าเมื่อวานหนส่งลิงให้เพื่อนบางคนนะคะที่เขาติดปัญหาหนักในชีวิตนะคะอเ อ, อเรื่องเรื่องเรื่องการเงินนะคะอาจารย์และจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่เขาแบบว่าจะจะต้องใช้นีแล้วมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อเออ จะบอกวันนี้ให้เขาเปิดซูมฟังพระอาจารย์นะคะแล้วลูกจะเรียนถามพระอาจารย์เรียนให้ให้พระอาจารย์เมตตากรุณาเออสั่งสอนแนะนําชี้แ น, นะคะ่ะพระอาจารย์ก็ค่ะค่ะพยายามมีอะไรที่เราขายที่ได้เพื่อใช้นี่ก็ใช้ไปเก็บไว้เพียงแต่ปัจจัยสี่ก็พออันนี้อย่าไปยึดอย่าไปห่วงติดกับทรัพย์สมบัติอะไรนอกกายมากเกินไป มีนี่ก็ขายขายใช้นี่ไปให้มัหมดเลยไม่ต้องไปเสียดายเอาไว้แค่ปัจจัยสิเอาไว้สำหรับเรื่องดูร่างกายเราไปก่อนมาแล้วกันหรือว่ายังถ้าขายขายหมดแล้วยั ง, ย, งยังนี่ไม่หมดเขาจะฟ้องล้มละลายก็ให้เขาฟ้องไปยอมล้มละลายไปก็จบยอมรับกรรมของเราไปไม่ต้องพูดถึงเอาค่าตัวตายค่าตัวตายมันไม่ไม่เกิดประโยชน์นะไม่ได้แก้ปัญหามันหนีปัญหา จะมีปัญหาต้องต้องเจอมนันก็ยอมรับกับกับความทุกความจริงจะต้องสูญเสียของเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่เพื่อใช้นี่ก็ใช้ไปพระพุทเจ้าบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวายวะสละอาวายวะเพื่รักษาร่างกายสละร่างกายเพื่อรักษาธรรมอคือความสงบของใจ อพยายามารักษาความสมองของใจไว้เราอย่างเดียวอย่างอืงอ่นของของนอกใจอะไรจะไปเข้าไปไม่ต้องไปเสียดายมันเดี๋ยวหาใหม่ได้ถ้าตายแล้วมันหาไม่ได้แล้วตายแล้วต้องไปตายแล้วต้องไปตกน้ำลีกถ้าตัวตายนี้บาปกรรมเข้าใจไหมพูดอย่งนี้ลูกว่าเขาน่านจะเข้าใจนะคะค่ะแต่ลูกก็เข้าใจค่ะอาจารย์ <laughs> อย่าไปสียดทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองที่เราไม่อยู่การลองเอาไปขายใช้นี่ก็ขายไปขายบ้านขายช่องอะไรไปให้มันหมดไปขายรถขายอะไรอ่าเริ่มต้นใหม่อยู่แบบคนจนก็ได้อขอให้มีข้าวกินก็แล้วกันมีที่อยู่อาศัยดอกแดดหลผลได้ไม่มีบ้านเองก็ไปเช่าเขาอยู่ก็ได้ถ้ามีงานทํำก็ทําไป ไม่ต้องไปอายไม่ต้องอับอายถ่ายหน้าความยากจนไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายการทําบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่าอายมากกว่าเขาจะบอกให้มีฮีริโอตปะมีความอายในการการทำบาปอย่าไปทําบนะาปค่ะผู้จาร์ค่ะหวังว่าเขาจะเดี๋ยวลูกจะเดี๋ยวลูกจะถามเขาอีกทีค่ะว่าได้ฟังไหมแต่ลูกจะเปิด จะจะส่งคลิปพระอาจารย์ให้เขาฟังแน่นอนค่ะพระอาจารย์กับรอบน้อมค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะเดือนเดือนนี้หนูจะไปกลางเดือนนะคะพระอาจารย์อย่าลืจ้ะสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่คุยกา์ตนจ้าราโตนอยู่ที่ไหนจำไม่ได้นะปิดไม้ก่อนจ่ะอันมิ้ว ยังไม่เปิดยังไม่ไปิดเราเปิดหรือยังคะพระอาจารย์เปิดแล้วได้ยินแล้วค่ะนมัสการค่ะมีแค่ไหนมาดูนะครับสีน้ำแร่ค่ะพระอาจารย์สีน้ำแร่โอเคค่ะมีอะไรไหมที่ว่าพระอาจารย์เมตตานะคะอืว่าเอาบทสดมนลมาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวลองนั่งดูว่าร่างกายมันจะนั่งได้นานแค่ไหนอ่ะเจ้าค่ะอืม หนูก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่ว่าอาทิติอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยเจ้าค่ะใจไม่ค่อยนิ่งเลยเจ้าค่ะทางโลกเยีะยบไปหน่อยออไม่เป็นไรทำเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันเจ้าค่ะทำต่อไปทำให้มากๆเจ้าค่ะนะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ทำไปไม่ทำไปเสียใจไม่ทำไปทุกข์นะให้รู้ว่าเรายังทำไม่ได้ก็แล้วกัน แล้วคนนี้เราจะนั่งจิบยังไงดีอะเจ้าคะให้มีกําลังในการทําเจ้าค่ะก็พยายามพยายามทำไอเวลาเราเนือน้อยลงไปทุกวันนะแต่เราไม่รีคุนขวายเนี่ยเาเวลาหมดนะหมดแล้วจะไม่มีโอกาสได้ทำของดีๆนี้ต่อไปจ้าค่ะบางทีพอว่าปัจจัยภายนอกมากระทบก็ไม่ค่อยมีกําลังใจ กำลังทำเลยเจ้าค่ะบางที mm hmm. ต้องโลกบ้างทำบ้างเจ้าค่ะช่วงนี้ก็เวลามีอะไรมากระทบก็ใช้ธรรวุฒโทวุโวไปใช้สติระงับระงับใจระงับความวุ่นวายใจถ้าพอใจหายวุ่นวายแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปปฏิบัติต่อได้เจ้าค่ะนะแต่แต่ว่าบางทีลูกเคยสวดมนต์แล้วก็ mm hmm. เหมือนเป็นตะคิวใช่ไหมเจ้าคะาแล้วก็ไม่ได้ไปนสนใจมันนะเจ้าคะแล้วลูกก็สวดมนต์ต่อจนอาการที่มันเมื่อยอะไรเงี้ยหายไปเจ้าคะ่ะน้องแล้วคราวนี้หนูก็ว่าค่ะน่าใช้แบบนี้ก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้เจ้าคะ่ะนะมีอะไรมีอารมณ์ไม่ดีเสียใจก็สวดมนต์ไปสักพักเหลือก็หายเจ้าคะ่ะนะค่ะ การสวดวนนี้เป็นเหมือนยาหม่องยารักษาใจเวลาเวลาโดนอะไรกันล้วก็ทายาหมองกนะันเวลาเรามีรู้สึกไม่สบายใจก็สวดวนไปเดี๋ยวก็หายเจ้าค่ะแต่ต้องอย่าเพิ่งหยุดนะต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายแล้วค่อยหยุดนะาอ่ะสู่สองคำ2องคำแล้วก็จะให้มันหายแล แล้วเ จ, จ้าค่ะงงสวดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่าลูกอยากฝึกนั่งสมาธิบ้างไหเจ้าคะเพราะว่าเห็นเขานั่งกันได้นานๆก็หลับตานั่งสมาธิแล้วสวดมนไปก่อนไงค่ะแต่ ว, าว่าใช่ใช่การสวดไปก่อนส่วนในเจ้าส่วนในท่า น, นั่งสมาธินะเจ้าค่ะถ้าถ้าดูลมได้ก็ดูลมเลยถ้าพุดโธได้ก็พุดโธรไปเลยก็ได้เจ้าค่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็สวดมันไปเรื่อยๆก่อน เจ้าค่ะปฏิบเป็นการนั่งสมาธิเหมือนกันเจ้าค่ะลูกยังจัดการร่างกายไม่ได้อะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าถ้าเหมือนเราคืนน้าลายก็ต้องเรามาเริ่มใหม่เจ<ล>้าค่ะแล้วเหมือนกับหนูจัดการร่างกายหนูยังไม่ได้อะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราส่วนมนต์มันก็จะจัดการได้ถ้าเราส่วนมนต์เดียวเราก็ิืมเรื่องร่างกายไปเ<แหม>จา้าค่ะหนูก็เลยมารายงานพระอ า, า, อาจารย์เจ้าค่ะ ก็ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใหม่ๆมันอาจจะล้มลุกคุกขานะเพราอย่าไปกังวลนะไม่ใช่พอจะเริ่มทาปุ๊บจะได้สำเร็จเลยมันก็ไม่ใช่หรอกจริงะมัน ก, ก็มีขึ้ น, นๆลงๆลงถูกบ้างผิดบ้างมาทาไปล้มลูกคุกขายไป ข, ขอใมีความพ<า> ย, ยายามก็แล้วกันเจ้าค่<น>ะแม่ะอย่าทออย่าท้ออย่าเลิกทำไปเรื่อยๆเจ้าค่ะนะอานตอนนี้ก่อนนะ แล้วค่ะน้ำมัสการ์ค่ะพระอาจารย์รักษาทัดขันได้นะเจ้าค่ะได้ขอโทษขบคุค่ะไว้ที่คุณลีวะนหายกันละหนึ่งนาทีคุณลีเสียจ้ากลับน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหายไปนางค่ะก็มาร่วมฟังธรรมด้วยค่ะแล้วก็น้อมกราบพระอาจารย์ที่มีความเมตตาต่อทุกคนมากจ้ะค่ะอืมคับก็มีมี ไม่ไม่มีเจ้าค่ะงานเยอะไปนิดนึงแต่เวลาไป อ, อยู่งานด้านนอกแล้วมันก็วุ่นวายพอได้มาฟังก็มันสงบดีจดะงเลก็อย่าลืมความแก่ความแจกความตายนะ ม, นมันของไม่แน่นอนเจค่ะ <c oughs> ต้องต้องเตรียมรับกับมันนะค่ะ <c oughs> ้องกลับเจ้าค่ะอาธุคถ้ามัถ้าัา ไ, มาไม่เตรียมแลนะ้วเวลามามันจะทำให้เราตกใจ มันตั้งรับในทันเสีย ห, หลักได้ในวิญญารับมันรับด้วยความสงบเนี่ยรับด้วยความจริงยอมรับความจริงแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายมันจะเป็นก็ต้องเป็นนะอยอมรับไปทุกคนไม่มีใครยกเว้เนนะทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนแข่งกันช้าเร็วเท่านั้นเองจ้ะ่ะรันใครจะไปทิาใช้ก่อนกันนะ เป็นการแข่งที่แบบว่าอยากจะวิ่งให้ช้าที่สุดไม่มีใครอยากจะไปกันไม่อยากจะไม่อยากจะได้เหรียญทองไม่มีใครอยากจะได้เหรียญทองเป็นกีฬาที่แปลกตลาดมากนะคะาแต่ก็ต้องน้อมคิดอยู่ตลอดก็ค่ะคินไว้มันดีนะพระเจ้าเตือนให้คิดอยู่เรื่อยเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแกงความเจ็บความตายไปไม่ได้ อาจารย์มันมันไม่ได้กลัวตายนะจ๊ะคะแต่ว่ากลัวการทรมานก่อนที่มันทรมานเพราะมันพราะมไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บ ไ, ไม่ยอมตายนะถ้ามันยอมมันรับประกันได้ไม่ทรมาน <lowest> เห็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วมันก็ทุกข์เหลือเกินตั้ค่ะอยู่ๆแกก็ป่วยขึ้นมาแบบซับเดลลี่อะไรเงี้ยก็แต่เราเราจะไม่เป็นเหมือนเขาแล้วเพราะเรามีเรามีควบคุมการเราฉีดวัคซีน โอ้สาธุด้ะค่ะารเตรียมตัวไว้ก่อนนะการเตรียมตัวนี่เราเป็นการฉีดวัคซีนเพนั้นก็เห็นเห็นทุกก็เลยมาเจอธรรมะนี่ะจ้ค่ะตามี่พระาจารย์สอนจ้าค่ะลูกบมีธรรมะไม่เกิดลูกบอมีธรรมะบอกเกิดใช่จ้ค่ะน้องกาบด้ยค่ะหลายคนสาธุค่ะสาธาทัขันนะคะอาจารย์ คุณ ย, ยอมมยิงคุณยอยิงตอบเชื่อหม่เลยหายไปนานเหมือนกันเลยเจ้าค่ะแต่ฟังพระจันรเรื่อยๆเจ้าค่ะอืมีอะไรไหมมีตัวตนเจ้าค่ะเลยมาโผล่หน้าให้พระจันทร์ดูด้วยค่ะมีตัวตนอยู่เจ้าค่ะตัวตนที่อยู่ข้างหลังน si okay ี่นะอ๋ออ yes, ัเมื่อกี้ชวนเขามาหวัดดีพระจันทร์แล้วเขาแบบว่าอายเดินหลบเออคือหนูแอบดูพระจันทร์ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า หนูวันนี้หนูอยากให้พอาจานย์ดูหนูค่ะโอเคมีตัวตนไหยเจ้าคะอ่ามีจ้ะมีคำถามยหมมีจ้ะเวลาพอาจานเดินบินธบาตบางทีทําไมหนูเห็นพอาจาร น, นั่งรถ อ, อ่ะอ๋อเดนนี้เดินเดินเดินไม่ไหวมันเจ็บหลังเลยต้องนั่งรถแทนเวลาพอาจารเจ็บหลังนะี่คือช่วงเวลายืนเวลายืนกันเดินพอาจ<พ>ารยรู้ว่าพอาจารเจ็บหลังยังแล้วพอาจานม์แบถือ ก็ก็คือไม่ฝืนใช่ไหมเจ้าคะก็คือรู้ว่าเจ็บก็มันก็มันมันมันไม่ไหวอ่ะมันแ่่ทีกไม่ไหวก็ต้องหน้ามันมีความน่าสนใจตรงเนี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าหนูอยากตาเพราะหนูกลัวเจ็บหรือไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่ามันมันเจ็บก็ต้องหาวิธีบําบัดมันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องไปเผชิญมันถ้าไม่มีความจำเป็นอยู่ดีถ้าหลบได้หล็งได้ก็หลบไปก่อนถ้าหลบไม่ได้เล็งไม่ได้ก็ต้องทําใจ อ๋อค่ะถ้าหลังจากนี้คือถ้าหนูแบบมีเวลาหนูลงไปหาพเจันหนูก็คือจะเจอพเจนนั่งรถอย่างนี้หรือเปล่าอ่าเนี่ย น, นั่งรถทุกวั น, น, นอ๋อเพราะว่าหนูคอยดูเวลาพเจันรบินทบานนะคะบางทีหนูเห็นนั่งรถบางทีนเห็นเดินอ่าช่วงช่วงก่อนหน้านั้นยังพอพเดินได้บ้านก็พยายามแต่ในช่วงเนี้นีน่มั น, น, นเดนนนนินไม่ค่ไหวจริงจรเหนื่อยไหมเจ้าคะ่ะเหอยไม่เหนื่อยมันเจ็บหลังมันไม่หล่งน้ําขดน้ําแข็งหลัง เจ้าค่ะอาจารย์ถนอมสุขภาพเจ้าคะ่ะห น, นูอยู่ไกลอิจฉาคนอยู่แถวนั้นอาจารย์ก็ต้องนั่งรถไปวยืนอทสุขภาพเพื่อทุกคนที่รักโอเคนะเจ้าค่ะอาจารย์เออ่เดือนหน้าหลังวันเกิดจะไปหาเจ้าค่ะจองตัวแล้วโอเคสาจุนั่งางหเจ้าคะ่ะไปไปคุณดับเบิลสิทธิ์สกอร์กอร์สริทิ์ การนมาสการพระอาจารย์ครับวันนี้อยากจะสอบถามพระอาจารย์หน่อยครับไอาาอาทิตย์ก่อนเห็นพระอาจารย์บอกว่าอะไรนะให้ให้ใหคบบัณฑิตทีนี้ไอประเด็นก็คือว่าแล้วหลายๆคนเขาจะดูยังไงว่าใครเป็นบัณฑิตยอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์บัณฑิตก็คือคนฉลาดนะคนที่รู้ผิดถูกดีเชื่อเป็นคนเดือดโซลานี่แสดงว่าไม่รู้ผิดถูกดีชั่อละวั <laughs> นที่ทําบาปก็แบบเว่าไม่ใช่เป็นคนที่รู้ผิดถูก คนที่เล่นการพนันนี่ก็ไม่ใช่นะวันที่เสพบ๊อบายาม ง, งนี่ไม่ใช่บัณฑิตอยู่พระพุทธเจ้าทั้งเสพหรือเปล่ า, าพระพุทธเจ้าอืมอืาเดูบัณฑิตก็ดูดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบัณฑิตสุดยอดของบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้ากับพระรัตนสาวกท่ารทูดโกนหรืเปล่าท่านชอบโกงหรือเปล่าท่านดืนานา่มหน้ามายาเปล่าท่านท่านเที่ยวคืนหรือเปล่า ทันมีเมียน้อยหรือเปล่าเมีสามีน้อยหรือเปล่าเข้าใจไหมครับครับก็จะได้เอาไว้เป็นเอาไว้ดูเป็นจุดจุดสังเกตว่าใครเป็นบัณฑิตอย่าเงี้ยดูพฤติกรรมของเขาดูการกระทําของเขาไม่ใช่ดูชื่อเสียงหน้าตานามสกุลหรือความร่ำรวยของเาันนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดว่าเป็นบัณฑิตแล้วเป็นเป็นคนพาน ดูที่พฤติกรรมถ้าเขาทำบาปถ้าเขาเสียาบาปมงนี้แสดงว่าไม่ใช่เป็นบบเปคนโ ง, ง่อืมครับอาจารยนะ์โอเคนะครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่คุณชนินตาคุณชนินมีอะไรไหมอยากมาสกมภาษณ์ครัอาจารย์เมีอะไรไ ม, ม, ไม่วันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามากราบพระอาจารย์เพราะว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วครับ โอเคสาธุยัองอ่านท่านนี้ก่อนนะหอดเวลาหมดครับครับอาจารย์ครับใน okay. ที่คุณจูปถามคุณชูมีคำถามไหมถามเป็นลูกยูทูบคืนนี้ไม่มีคำถามครับอาจารย์ค่ะอ๋อไม่มีเลยนะค่ะไม่มีค่ะก็ดีก็พอดีหมดเวล า, าจริงๆทำไมสี่สี่ท่มสามสิบสามนาทีตะกี้ว่าพอสมควรกันแลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติ เรื่วความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ